พอแล้วนะเสียเวลาเวลาไม่คลอยใครเวลาเป็นทรัพยากรที่จํากัดที่สุดเลยหมดแล้วหมดเลยงั้นเราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดอย่างที่วัดหลวงพ่อนะั้นไม่มีพิธีกรรมอะไรเลยไม่ต้องอาราธนาอะไรทั้งสินส้นศีลเสรินะั้นไปตั้งใจรักษาเอาเองธรรมมาก็ไม่ต้องอาราธนานะเพราะเขานิมนต์มาแล้วงั้นเสียเวลางั้นพวกเราก็ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเลย เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะหลวงพ่อมาวัดบูร์ครั้งแรกเนี่ยวันที่6กุมภาปี2525 25, มากราบหลวงปู่ดุลตอนที่มาหาท่านยุค น, นนะั้นคนยังไม่ค่อยรู้จักท่านท่านถึงอายุยืนพอคนรู้จักท่านมากขึ้นมากขึ้นนะท่านก็ลำบกากธาตุขันลำบากสมัยนน้นมาหาท่านเนี่ย หาคนมาเรียนกรรมฐาน แ, นแต่ละวันแต่ละวันมีไม่กี่คนบางวันไม่มีหรอกมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราที่สนใจนะจะได้เข้าไปเรียนกับหลวงปู่ดุลไปหาท่านทีแรกะไปกราบท่านนะบอกหลวงปูผมอยากจะปฏิบัติท่านไม่เทศนะไม่สอนหรอกหลวงปู่ดุลท่านนั่งหลับตาเงียบๆไปตอนนั้นท่านเพิ่งฉันข้าวเสร็จแล้วท่านมานั่งอยู่ที่ระเบียงกุฏิท่านเนี่ยท่านนั่งหลับตาไป เกือบชั่วโมงเราก็นึกว่าโอ้โหลวงปู่อายุเยอะฉันเช้าเสร็จแล้วหลับไปละเมื่อไหร่ท่านจะตื่นเมื่อไหร่ท่านจะมาเทศให้เราฟังพอท่านลืมตาขึ้นมานะท่านก็เทศเลยบอกอบการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนให้หลวงพ่ออ่านจิตตนเองแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่ท่านสอนเหมือนๆกันท่านไม่สอนไม่เหมือนกันหรอก หลวงปู่ดุลเป็นครูบาอาจารย์ที่วิเศษที่สุดที่หลวงพ่อเคยเจอเลยครูบาอาจารย์องค์อื่นท่านก็ดีแต่ไม่ได้ถูกจริตนิสัยของเราหลวงปู่ดุลเนี่ยก่อนจะสอนกรรมฐานเนี่ยท่านสืบประวัติก่อนว่าเราเคยภาวนามาแบบไหนท่านก็ต่อยอดให้ท่านไม่ลื้อของเก่านะแต่ท่านต่อยอดให้ท่านก็พิจารณาดูอย่างบางท่านหลวงปู่ก็สอนให้ดูกาย งั้ไม่ใช่ว่าหลวงปู่ดูลสอนดูจิตอย่างเดียวสอนดูกายไม่เป็นไม่ใช่คนไหนสมควรที่จะดูกายท่านก็สอนให้ดูกายบางคนท่านสอนให้ทําสมถะก่อนอย่างเมื่อก่อนมีหลวงพ่อคืนใครรู้จักหลวงพ่อคืนหรือวัดหน้าเรือนจำหลวงพ่อคืนเน่าเรียนจากหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าให้ดูผมเส้นเดียวเส้นเดียวนะสองเส้นก็ไม่ได้หลวงพ่อคืนท่านไม่เชื่อหรอกท่านรู้สึกว่าน้อยใจ ทำไมหลวงปู่ดูลสอนคนอื่นเยอะสอนท่านให้ดูผมเส้นเดียวเองท่านก็ไม่ยอมทํานะไม่ยอมทําอยู่นานเลยหาความเจริญก้าวหน้าไม่ได้เลยจนวันหนึ่งท้อแท้ใจละกลับมาดูผมเส้นเดียวนะจิตรวมเลยนี่มาถึงวันนี้เราไม่สามารถจะหาครูบาอาจารย์ที่มาทดแทนหลวงปู่ดุลได้พวกเรามันรุ่นลูกศิษย์หลานศิษย์เลนศิษย์ละคุณภาพของครูบาอาจารย์ขนาดนั้นเราไม่มีหลวงพ่อก็ไม่ได้อย่างท่านนะ หนึ่งท่านนะท่านบอกได้เลยว่าคนนี้ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้เราสอนได้แต่หลักของการปฏิบัติหลักของการปฏิบัติเนี่ยจริงๆไม่ใช่ดูจิตอย่างเดียวกรรมฐานที่คนแต่ละคนจะฝึกเนี่ยไม่เหมือนกันทางใครทางมันไม่ดีไม่เร็วกว่ากันหรอกคนไหนถนัดพุดโทโธพิจารณากายก็พุโทโธพิจารณากายไป คนไหนถนัดจะไปดูท้องคองยุบก็ไปดูนะคนไหนขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปคนไหนถนัดจะดูเวทนานะก็ดูเวทนาคนไหนถนัดดูจิตก็ดูจิตทางใครทางมันไม่มีกรรมฐานสําเร็จรูปที่เหมาะกับคนทุกคนแต่เวลาเรียนเนี่ยพวกเราจะสับสนเวลาเราเรียนกรรมฐานนะเราจะชอบไปถามว่าทําแบบไหนดีกว่าแบบไหน ไม่มีนะไม่มีว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนหรอกมันแล้วแต่ว่าจริตนิสัยของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันทํากรรมฐานก็คล้ายๆการไปตัดเสื้อสักตัวหนึ่งเสื้อต้องมีหลายไซส์เห็นไหมอย่างหลวงพ่อถ้าจะใส่เสื้อก็ต้องตัวใหญ่ๆต้อง xxl อะไรเงี้ยบางคนก็ตัว s ตัวอะไรเงี้ยกรรมฐานที่จะเหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องทําสมาธิก่อนแล้วมาดูกาย บางคนทำสมาธิแล้วไปดูเวทนาบางคนดูจิตไปก่อนแล้วสมาธิเกิดทีหลังแต่สุดท้ายเนี่ยมรคนิพพานเนี่ยมันจะเป็นอันเดียวกันความบริสุทธิ์ที่เข้าถึงนั้นอันเดียวกันทั้งหมดเลยไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหนหรอกไม่มีสำเร็จรูปนะว่าทุกคนทำแบบนี้แล้วดีถ้าใครคิดว่ากรรมฐานของเราดีที่สุดของคนอื่นไม่ดีของเราคนเดียวถูกคนอื่นไม่ถูกอันนี้คือคนภาวนาไม่เป็น คนภาวนาเป็นนะมันคนขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วพอขึ้นยอดเขาได้เราจะเห็นว่าทางขึ้นภูเขาเนี่ยมันรอบทิศทางเลยทางเหนือก็ขึ้นได้ทางใต้ทางตะวันออกทางตะวันตกขึ้นได้หมดเลยบางทางก็เป็นทางที่ง่ายๆมีรถขึ้นไปบางคนก็นั่งรถขึ้นไปบางคนต้องไปรถกระเช้าบางคนต้องปีนหน้าผาไปภาวนาก็ต้องลําบากอย่างเี้ยแต่และคนไม่เหมือนกันรูปแบบหรอกที่ไม่เหมือนกัน แต่เนื้อหาสาระต้องเป็นอันเดียวกันเนื้อหาสาระของการปฏ <t> ิบัติก็คือทำยังไงเราจะเกิดสติที่ถูกต้องทำยังไงเราจะเกิดสัมมาสมาธิที่ถูกต้องถ้ามีสติที่ถูกต้องมีสัมมาสมาธิที่ถูกต้องแล้วจะใช้เปลือกของการปฏิบัติใช้รูปแบบของการปฏิบัติแบบไหนก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งสิ้นเวลาที่สติเกิดก็สติอย่างเดียวกันเวลาที่จิตตั้งมั่นเป็นส <ia> <t> ัมมาสมาธิ ก็เป็นสมาธิอย่างเดียวกันเวลาเกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตานะของกายของใจเขเห็นอย่างเดียวกันเวลาเกิดวิมุตตก็อย่างเดียวกันไม่ดีไม่เลวกว่ากันงั้นมันสาคัญอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หรือเปล่าทุกวันนี้คนที่เรียนจากหลวงพ่อตอนนี้คนที่จิตตื่นขึ้นมานี่นับจานวนไม่้วนลนะ ที่ตื่นขึ้นมาได้มีสติขึ้นมามีจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีจํานวนนับไม่ถูกว่ามีจํานว น, านเท่าไหร่ยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่ไม่ยากเลยที่คนที่ตื่นแล้วเนี่ยจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ไม่ยากเลยเพราะเราต้องตื่นขึ้นมาให้ได้ก่อนนะถ้าเราจิตเราตื่นขึ้นมาเรามารู้กายเราก็จะเห็นความจริงเห็นความจริงของกาย ว, ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา จิตที่ไปรู้กายก็ไม่ใช่ตัวเราพอจิตตื่นขึ้นมาเห็นเวทนานั้นก็จะเห็นเลยเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งนะร่างกายก็ไม่ใช่เราเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตก็ไม่ใช่เราเป็นอีกส่วนหนึ่งมันจะแยกกันออกไปถ้าดูจิตถูกต้องนะมีความตื่นตัวจิตมันตื่นขึ้นมาไปเห็นจิตเห็นใจก็จะเห็นจิตมันทางานได้เองมันไม่ใช่เราอีกดูลงมาในกายดูลงมาในใจมันจะไม่มีเรา เมื่อไรภาวนาไปจนวันใดจิตมันยอมรับความจริงได้ว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปธรรมมีแต่นามธรรมมีแต่กายมีแต่ใจแต่กายก็ไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เรานะใครได้เห็นตรงนี้เห็นความจริงตรงนี้จิตใจยอมรับความจริงตรงนี้เรียกว่าได้พระโสดาบันหลวงปู่ดูลจะบอกคนไหนทาได้แล้วท่านบอกว่าจิตยิ้มละจิตยิ้มยิ้มอะไรยิ้ม ย, ย่อเยอิ้งกิเลส ต่อไปนี้กิเลสหลอกลวงไม่ได้ลละวงั้นอยู่ที่ว่าทำยังไงเราจะสามารถพัฒนาคุณภาพของจิตใจเราให้มันตื่นขึ้นมาให้ได้ถ้าใจเราตื่นเนี่ยทันทีที่สติระลึกรู้กายก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่เราทันทีที่สติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเรา ทันทีที่สติเราลึกรู้จิตนะก็จะเห็นว่าจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนะเกิดตรงไหนดับตรงนั้นการที่เห็นนะทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นแรกๆยังยอมรับความจริงไม่ได้กลุ้มใจแต่ว่าพอเห็นนานเข้านานเข้าเนี่ยจิตยอมรับความจริงจิตยอมรับความจริงได้ว่าตัวเราไม่มีหรอกกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรา ไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือกายนอกเหนือหนาจายนี้นี่เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้คือเห็นความเป็นจริงของกายของใจนะว่าจริงๆไม่มีตัวเรามันมีความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะมันมีตัวเราหลวงพ่อนะก่อนจะมากราบหลวงปู่ดุลเนะี่ยเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ทางวัดสัมพันธวงศนะ์เขาพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็เหลือที่นิดหน่อย เป็นเรื่องประวัติหลวงปู่แหวนเขาเหลือที่อยู่นิดเดียวแค่แค่นี้ยเขาลงเรื่อง อ, อริยศาสตร์แห่งจิตของหลวงปู่ดุลจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัทยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธรอพอได้ยินตรงนี้นะได้ยินธรรมะอันนี้นะใจมันตื่นขึ้นมาตื่นตัวขึ้นมาเออจริงนะใจมันรู้สึกงี้นะจริงนะถ้ามันไม่มีตัวเราทุกข์ แล้วใครมันจะทุกข์ถ้าเราไม่มีเรานะถ้ามันไม่มีเราใครมันจะทุกข์กายมันทุกข์ใจมันทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์ตรงนี้สําคัญนะถ้าเมื่อไรเราเห็นว่ากายมันทุกข์ใจมันทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์ไม่มีเรานานไปนานไปมันจะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจถ้าไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจมันจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกถ้าเราไม่ยึดถืออะไรเลยเนี่ยใจจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้น ใจจะหมดภาระนะหมดความหนักหน่วงในใจพวกเราสังเกตไ้มใจเราหนักหนักใครรู้จักคาว่าหนักใจไหมหนักใจใครรู้จักคาว่ากลุ้มใจไหมแม้ใจมันเป็นอย่างนอนใจมันเป็นอย่างนี้ใครรู้จักสบายใจใครไม่เคยรู้จักสบายใจมีไหมไม่มีก็บ้าแล้ว <c oughs> ใครๆก็เคยรู้จักใช่ไหมใจเราเป็นสุขใจเป็นทุกข์นะมีความสุขมีความทุกข์ มีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีความฟุ้งซ่านมีความหดหู่มีความปีติยินดีสภาวะทางใจเนี่ยมันไหลามาตลอดเวลาถ้าเราหัดเจริญสตินะเราจะเห็นเลยสภาวะทั้งหลายนี่ยไหลามาไหลไปไหลามาไหลไปอยู่ตลอดเวลาถ้าเห็นอย่างเนี้ยนานๆไปจิตจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเลยมันเกิดระดับ เช่นความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับดูของจริงในใจเรานะดูของจริงสิ่งใดเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้สึกรู้เล่นๆต่อย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับนี่เป็นหัวใจการปฏิบัติที่สําคัญมากเลยการปฏิบัติเนี่ยถ้าจิตใจเรามีเรี่ยวมีแรงนะมันจะดูเข้ามาจนถึงจิตถ้าดูจิตไม่ได้มาดูกายไว้ก่อน จิตเหมือนเจ้าของบ้านกายเหมือนบ้านเราหาเจ้าของบ้านไม่เจอเราไปเฝ้าหน้าบ้านเดี๋ยววันหนึ่งเราก็เจอเจ้าของบ้านทำไมเราต้องรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองถ้าเรารู้เข้าถึงจิตใจแล้วได้เนะี่ยการปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวเพราะอะไรเพราะกิเลสก็เกิดที่จิตนะกุศลก็เกิดที่จิตกระทั่งมรรคผลนิพพานนะก็ปรากฏขึ้นที่จิต มักผลเนี่ยเกิดที่จิตแต่นิพพานปรากฏให้จิตรู้นิพพานไม่เรียกว่าเกิดขึ้นนิพพานไม่มีเกิดไม่นิพพานไม่มีดับนิพพานที่ว่เป็นนิพพานอยู่อย่างนั้นเองเนี่ยถ้าเรหัดดูลงไปเรื่อยนะทุกอย่างในใจเราเป็นของชั่วคราวทั้งหมดลองหัดดูอย่างนี้ถ้าดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราได้ดูความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนี่เป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นมากเลย เมื่อก่อนใครรู้จักหลวงปู่สุวัตไหมสุวัตสุวัจโจหลวงปู่สุวัตเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนานนักหนานละท่านบอกท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนท่านบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูกายเพื่ออะไรเพื่อจะได้กลับมาเห็นจิตแต่ถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทําความสงบไว้ก่อนนะพุโทโธไว้หายใจไว้อะไเนี้ยพอจิตใจมีความสุขมีความสงบ เราจะกลับมาเห็นจิตใจที่มีความสุขความสงบแล้วกลับมาดูจิตได้อีกให้การปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ดูอันใดอันหนึ่งหรอกเราตื่นขึ้นมาใจเราหลุดออกจากโลกของความคิดได้บางทีสติก็รู้กายบางทีสติก็รู้จิตถ้ารู้จิตได้ก็รู้จิตไปถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายดูกายก็อย่าไปเพ่งกายเรางคนชอบไปเพ่งใส่ร่างกายไปดูลมหายใจก็เพ่งไปที่ลมหายใจจิตไปแนบอยู่กับลมหายใจใช้ไม่ได้หรอกใจไม่ตื่นหรอกมันเพ่งอย่างนั้น บางคนดูท้องฟองยุบนะจิตไปเพ่งไปแนบอยู่ที่ท้องอันนี้ก็ภาวนาไม่ถูกหรอกะใจมันไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้ดูแต่มันถลําลงไปจ้องบางคนขยับมือนะอย่างสายหลวงพ่อเจียนหลวงพ่อคำเขียนอะไรเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนสอนหลวงพ่อเทีย น, น, ยนสอน้ขยับขยับแล้วรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาคือจิตมันตื่นขึ้นมางั้นการที่เราจะฝึกให้จิตตื่นขึ้นมานี่แหละ เป็นบทเรียนสําคัญมากเลยถ้าตื่นขึ้นมาได้เนี่ยมรคผนนี่ผ่านไม่ไกลกถ้าเราตื่นขึ้นมาได้เราจะสามารถเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงได้แต่ถ้าเราไม่ตื่นนะใจเราหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเราจะไม่เห็นความจริงของกายของใจในโลกนี้ไม่มีคนตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นมีน้อยที่สุดเลยยิ่งพวกที่ชอบนั่งเพ่งนะไม่ตื่นหรอก นั่งเพ่งๆบังคับจิตให้สงบเฉยๆอยู่ไม่ตื่นคนทั้งหลายเนี่ยเวลาตื่นตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตไม่ตื่นจิตมันหลับจิตมันฝันตลอดเวลาพวกเราเห็นไหมจิตมันคิดทั้งวันนึกออกไหมจิตมันคิดนั่นแหละคือจิตมันฝันอยู่เวลาที่เรารู้เรื่องที่เราคิดนะเราจะลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสตินะงั้นนึกออกไหมว่าทาไม มีใครบ้างรู้กายรู้ใจส่วนมากไปรู้เรื่องที่คิดคิดทั้งวันแล้วก็หลงไปอยู่ในความคิดคิดเรื่องน้นคิดเรื่องนี้อย่างวันนี้ก็คิดว่าจะต้องมาวัดบุ์มาฟังดูหน้าหลวงพ่อประโมทหน่อยสิเคยได้ยินแต่เสียงในซีดียังไม่เคยเห็นหน้าดูซิหน้าตาเป็นยังไงโอ้ดูไปดูมาอ้อคล้ายพระสังกจนัยงวดต่ดูหลวงพ่อประโมทไหมลืมกายลืมใจตัวเองสังเกตไหมขณะที่มาดูหลวงพ่อลืมกายลืมใจตัวเอง ขณะที่ตั้งอกตั้งใจฟังสังเกตไหมลืมกายลืมใจตัวเองขณะที่ไปคิดสังเกตไม้มลืมกายลืมใจตัวเองเราลืมกายเราลืมใจทั้งวันคือเราขาดสติทั้งวันเราพุทธเจ้าถึงกจะสอนไหมสอนไม่นะบอกว่าระับใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานโลกจะไม่ว่างจากพระอระหันต์การเจริญสติปัฏฐานคืออะไรคือการมีสติรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของจิตใจใช่หไหมต้องรู้กายรู้ใจนะ ถ้าเพ่งกายเพ่งใจไม่เรียกว่ารู้กายรู้ใจเพ่งเพ่งไหมใจก็นิ่งกายก็นิ่งไม่มีไตรรักณให้ดูถ้านิ่งแล้วไม่เกิดไตรลักษให้ดูนะมันกิดบังไตรรักไปหมดเลยไปนั่งเพ่งเอาไว้งนั้นถ้าเราไม่เพ่งเราคอยดูความเปลี่ยนแปลงของใจเราไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่าไปเพ่งให้นิ่งอย่าไปเพ่งให้นิ่งนะปล่อยให้จิตมันทํางานแล้วมีสติตามดูไปเรื่อยๆไม่นานเราจะเข้าใจความจริงของจิตว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลย สุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วดับตัวจิตเองเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใ จ, ใจเกิดตรงไหนดับตรงนั้นจิตไม่ได้มีอยู่ดวงเดียวถ้าใครคิดว่าจิตมีดวงเดียวเป็นมิจฉาทิฐิเห็นว่าจิตเที่ยงดงั้นเวลาเราภาวนานะ้เราอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งเราปล่อยให้จิตมันทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเราตามดูมันไปอย่างหลวงพ่อมาหาหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลบอกว่าให้ไปดูจิต คำว่าดูจิตหมายถึงอะไรคล้ายๆเราดูหนังสือหนังสือมันเป็นยังไงเราก็อ่านไปตามนั้นแหละะสมมติเราอ่านนิยายสักเล่มหนึ่งนะสักเรื่องหนึ่งนิยายนี้มีบทรักบทโศกบทโกรธบทอาฆาตมันถึงบทไหนเราก็อ่านตามรู้ตามดูมันไปเรื่อยๆจิตเราก็แสดงตลอดเวลานะเดี๋ยวก็มีบทรักเดี๋ยวก็มีบทโกรธเดี๋ยวมีบทดีใจบทเสียใจเรามีหน้าที่ตามอ่านมันลูกเดียวเลยทำตัวเป็นแค่นักอ่าน ทำตัวเป็นแค่นักดูอย่าทำตัวเป็นนักประพันธ์ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงไม่ต้องไปดัดแปลงมันรู้ตามที่มันเป็นการที่เราหัดรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนะโดยเฉพาะการดูจิตดูใจเนี่ยจะง่ายดูกายจริงๆยากนะต้องทำสมาธิก่อนถ้าไม่ทำสมาธิก่อนจะดูกายลาบากเพราะการดูกา ย, กายานนาเนี่ยกายยานุปัสสนานี่เหมาะกับสมถะญาณิเหมาะกับคนทรงชานพวกเราชาวเมืองทำยาก จิตเราฟุ้งซ่านทั้งวันเลยเวลาเราดูลงมาเราดูไม่ถึงกายเราติดไปที่สมมุติบัญญัติหมดอย่างย ก, ยกมือให้ดูเห็นอะไรเห็นมือมือไม่ใช่ร่างกายที่แท้จริงมือไม่ใช่รูปนะตัวรูปที่แท้จริงก็คือธาตุดินน้ำไฟลมใครเห็นธาตุดินน้ำไฟลมยากนะยากแต่สภาวะทางจิตเนี่ยมันเตียมแจ้งอยู่ในตัวเองแล้วความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์ปรมัตมนี่ของจริง นั้นดูง่ายนะใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ไปใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ไปหัดตามดูไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็เข้าใจเองแหละว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยผู้ใดเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะก็เป็นพระสวดบัตหัดดูอย่างนี้แหละไม่ยากหรอกหลวงพ่อมาเรียนจากหลวงปู่ดูลนะเมื่อหกกรุมพาปีสองห้ามาเรียนแล้วก็กลับบ้านไปปฏิบัติทุกวันพยายามดูจิตเห็นจิตมันไม่ดีนะหาทางทําให้ดี มันไม่สุขหาทางทำให้สุขมันไม่สงบหาทางทำให้สงบเนี่ยปฏิบัติอยู่อย่างนี้ทุกวันเลยกะว่าจะเอาดีเอาสุขเอาสงบให้ได้เลยพอได้สักสามเดือนมากราบหลวงปู่มาส่งกันบ้านนึกว่าท่านจะชมนะท่านบอกว่าดูไม่เป็นเลยมัวแต่ไปแทรกแซงอาการของจิตไม่ได้ดูจิตเห็นไมถ้าดูจิตจิตโกรธรู้ว่าโกรธนี่เรียกว่าดูจิต ถ้าจิตโกรธแล้วหาทางทําให้หายโกรธนี่ไม่เรียกว่าดูจิตแต่เรียกว่าแทรกแสงอาการของจิตท่านสอนให้ดูท่านไม่ได้ให้แทรกแสงให้รู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยมาหาท่านครั้งที่สองเนี่ยท่านบอกอย่างนี้เลยเรากลับไปเรารู้แล้วเราทําผิดทําผิดตรงที่เราเข้าไปแทรกแสงมันต่อไปนี้ไม่แทรกแสงจิตมีความโลภขึ้นมาก็รู้ความโลภหายไปก็รู้จิตมีความโกรธก็รู้จิ ต, มมจตไม่มีความโกรธก็รู้ จิตหลงไปก็รู้จิตตื่นขึ้นมาก็รู้นะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหูก็รู้จิตมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้จิตเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานะก็รู้มีปีติมีอะไรต่อไรขึ้นมาก็รู้รู้ลูกเดียวเลยตามรู้ตามดูอยู่อย่างนี้ดูอยู่สี่เดือนนะมาส่งกันบ้านหลวงปู่ทั้งที่สามหลวงปู่บอกว่าพึ่งตัวเองได้ล้ต่อไปไม่ต้องมาหาอาตมาอีกท่านบอกงี้นะแต่หลวงพ่อมานะ หลวงพ่อไม่เซอร์พอที่จะไม่มาหรอกอยากก็มาเรียนต่อมาเรียนอีกท้าไมหลวงปู่บอกว่าพึ่งตัวเองได้เพราะเราเห็นความจริงนะทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเศ้าดูลงมาดูของจริงนะดูของจริงในกายดูของจริงอยู่ในจิตใจของเราเราจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับมีใครเคยโกรธสองปีสามปีมีไหมมีไหมลองนึกดูใครเคยโกรธหนึ่งเดือนมีไหม ใครเคยโกรธหนึ่งวันมีไหมจริงๆไม่มีหรอกนะความโกรธเกิดขึ้นนะแวบหนึ่งก็หายไปแวบหนึ่งก็หายไปแต่พอมันเกิดซ้ำๆนะเราเลยรู้สึกว่ามันโกรธทั้งวันความจริงความโกรธเกิดเป็นขณะขณะขณะความโลภก็เกิดเป็นขณะนะสติเองก็เกิดเป็นขณะขณะทุกอย่างเกิดระดับหมดเลยกุศลเกิดแล้วก็ดับนะอาคุศลเกิดแล้วก็ดับเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้สอนให้ทําอาคุศลนะ ถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจอยู่เราทําอาปุษลไม่ได้ควรทาอาปุษณทําบาปทํากิจศีลได้เนี่ยเพราะไม่มีสติถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยศีลมันเกิดขึ้นเองสมาธิมันเกิดขึ้นปัญญามันมีโอกาสที่จะเกิดนั่นเราคอยรู้ทันจิตใจของเราไปนะคนที่ไปเรียนจากหลวงพ่อทุกวันนี้นะเขาสามารถดูจิตดูใจตัวเองได้ไปส่งกันบ้านที่วัดหลวงพ่อนะไปพูดทุกวันมีทุกวันนะที่เปิดวัด บอกว่าชีวิตจิตใจนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วเคยทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยน้อยเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นนิดเดียวเพอะความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันแลความทุกข์กระเด็นตกเก้าอี้ไปเลยนะไม่ใช่ตัวคนตกเก้าอี้นะความทุกข์มันกระเด็นตกฟาลาไปเลยตกบ้านไปเลยเั้เราค่อยฝึกคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆ เราจะได้พบธรรมะที่อัศจรรย์ที่สุดเลยชีวิตของเราจะเปลี่ยนในเวลาอันสั้นแต่ถ้าคนไหนติดเพ่งนะก็ต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าจะเลิกเพ่งได้ถ้าไม่ติดเพ่งถ้าไม่คิดมากบางคนเป็นคนคิดมากคิดมากยากนานคิดมากแทนที่จะรู้แล้วก็ไปคอยคิดเอาหลวงปู่โดนสอนเลยนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยจิต ท่านต้องมีประโยคสุดท้ายไว้ด้วยว่าอาศัยคิดหมายถึงอะไรหมายถึงอย่าไปห้ามความคิดนะจิตมันคิดก็รู้จิตมันคิดก็รู้เรียกว่าอาศัยคิดอาศัยก็เห็นว่าจิตมันไปคิดเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็รู้จิตทั้งวันเลยนะมีแต่จิตคิดกับจิตรู้จิตคิดเกิดแล้วก็ดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตคิดน่นเป็นจิตที่เป็นกุศลว่างกุศลว่าจิตรู้เป็นกุศลทั้งหมดนี้เกิดแล้วดับเหมือนกันหมดเลยเท่าเทียมกัน เนี่ยภาวนาไปนะโลก ง, ง่ายเมื่อปีสองพันห้ารอยี่สิบหกนะวันหนึ่งหลวงพ่อมานั่งอยู่หน้ากุฏิหลวงปู่เนี่ยนั่งอยู่กับท่านอ่ะอยู่ๆท่านก็เปลยขึ้นมาบอกว่าต่อไปการดูจิตเนี่ยจะรุ่งเรืองในเมืองตอนเนี้ยรุ่งเรืองในเมืองแล้วนะทั้งเมืองไทยทั้งเมืองนอกด้วย รุ่งเรื่องทําไมการดูจิตมันรุ่เรืองขึ้นมาเพราะการดูจิตเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองชีวิตของคนเมืองเนี่ยทํางานที่ต้องคิดทั้งวันรู้สึกไหมบางคนไม่เคยออกแรงทำอะไรเลยนะคิดอย่างเดียวก็หาเงินได้ละแล้วลจิตใจเนี่ยหาความสงบจริงๆไม่ได้เลยคิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็มีความสุขขึ้นมาคิดไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ทุกข์คิดอย่างนี้เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลง คิดอย่างนี้เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านคิดอย่างนี้เดี๋ยวก็หดหูนะการปฏิบัติโดยการตามดูความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่คนในเมืองเนี่นยทำได้ง่ายอย่างพวกเราจะไปพากันนั่งสมาธิวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงนนะทำไม่ได้ทำไม่ไหวพวกเราก็ค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไปเรื่อยๆหลวงพ่อรับรองอย่างหนึ่งนะ ว่าถ้าเราตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจได้ได้ไม่ช้ากว่ากรรมาฐานชนิดไหนเลยสมัยที่มาเรียนจากหลวงปู่ดูลท่านสอนหลวงให้ดูจิตตัวเองเราก็ดูดูไปเรื่อยๆเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์ที่อื่นๆครูบาอาจารย์วัดป่าอื่นๆนะ่ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดไหนก็ตามเราเข้าไปหาท่านไปส่งกันบ้านท่านไม่มีองค์ไหนเลยที่บอกว่าอย่าไปดูจิตนะทําไม่ได้หรอกไม่มีใครพูดอย่างนั้นเลยมีแต่สอนต่อให้ทั้งนั้นเลย สุดท้ายอะไรทุกๆองค์ก็สอนเข้ามาถึงจิตถึงใจทั้งหมดเลยเวลาไปส่งกันบ้านกับครูบาอาจารย์บางทีพระมานั่งฟังยังไปส่งกันบ้านหลวงปู่เทศนะพระจะมาฟังหรือกับหลวงพ่อพุธเนี่ยพระก็จะมาฟังพอเราส่งกันบ้านเสร็จลาครูบาอาจารย์ออกมานะบางทีพระท่านปามออกมาท่านมาถามโยมทํายังไงอ่ะพระทำยี่สิบปีไม่ได้อย่างโยมแมนเป็นฆราวาสก็ปฏิบัติได้นะ อย่าคิดว่าต้องไปบวชก่อนถึงจะปฏิบัติได้คารวะก็ปฏิบัติได้ถ้ามีสติยิ่งเราเป็นคารวะเนี่ยจิตใจเราแต่ละวันเนี่ยเต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยความทุกข์จิตแวกแวปงขึ้นแปงลงตลอดเวลาถ้าเราเมื่อไหร่เรามีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยๆมันเท่ากับเราเจริญสติอยู่ทั้งวันก็เราเจริญสติทั้งวันมันจะช้าได้ยังไงนั้นหัดมีสตินะ รู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกภายในใจของเรานี่แหละเบื้องต้นรู้ความรู้สึกไปใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันสงสัยก็รู้ใจมันฟุ้งซ่านก็รู้ใจมันหดหู่ก็รู้ใจมันสุขใจมันทุกข์ใจมันดีใจมันร้ายคอยตามรู้ตามดูมันไปเรื่อยๆลองดูนะลองดูหลวงพ่อขอท้านะถ้าดูโดยไม่เพ่งแล้วก็ขยันดูไปเรื่อยๆ ตามรู้ตามรู้นะใช้คําว่าตามรู้หมายถึงว่าโกรธขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโลภหลงไปก่อนรู้ว่าหล ง, ลงอย่าไปจ้องเอาไว้อย่าไปรอดูอย่าไปดักดูถ้าไปดักดูไปจ้องไว้เนี่ยจิตจะนิ่งนิ่งทื่อๆไม่แสดงใจลักษณ์ปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติเช่นมองเห็นอย่างหนุ่มๆเนี่ยมองเห็นสาวเดินมาจิตมันเกิดราคะมันชอบเข้าขึ้นมา ไม่จำเป็นว่าต้องไม่ดูตามันมองเห็นเราไม่ได้ตาบอดบางทีตามันก็เห็นของสวยของงามใจมันชอบขึ้นมาหูเราไม่หนวกบางทีก็ได้ยินเสียงดีๆเอาแน่ไม่ได้แต่เมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเมื่อใจของเราชิดเราเนึกเราปรุงเราแต่งแล้วถ้าความสุขเกิดขึ้นในใจให้รู้ทันความทุกข์เกิดให้รู้ทันนะนกุศลอกุศลใดๆเกิดขึ้นในใจให้ขอรู้ทัน เช่นมองเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะรู้ว่ามีราคะพอมีราคะแล้วคนที่เป็นนักปฏิบัติไม่ชอบราคะอยากให้ราคะดับรู้ว่ากำลังอยากอยู่นี่แหละคือการดูจิตง่ายขนาดนี้นะไม่ใช่การดูจิตคือห้ามไม่ให้เกิดกิเลสไม่มีใครห้ามจิตไม่ให้เกิดกิเลสได้เพราะจิตเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับได้ไม่มีใครสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลในผ่านได้ ไม่มีใครสั่งจิตให้ดีตลอดเวลาไม่มีใครสั่งจิตว่าห้ามชั่วจิตมันดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกบ้างหน้าที่ของเราก็ตามดูความจริงของมันไปเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายตามดูไปเรื่อยๆตามดูไปหนะ้าสักเดือนหนึ่งขอเวลาเดือนเดียวไม่ขอมากนะเดีกกับหลวงพ่อไม่ใช้เวลานานหรอกพระหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดุลใช้เวลาไม่นานพวกเราลองเรียนดูนะ ขอเวลาสักเดือนหนึ่งตามดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงในใจของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วดูซิชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนหรือไม่ถ้าไม่เพ่งนะถ้าไม่คิดมากนะมีสองเงื่อนไขไม่เพ่งกับไม่คิดมากคอยตามดูความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไปบ่อยๆเดือนหนึ่งเราจะเห็นนะจิตที่เคยหนักนักเคยเครียดๆนะั้นนหายนะหายใจก็เข้าถึงความโปร่งโล่งเบามีความสุข ลองไปดูที่วัดหลวงพ่อสิคนมีความสุขเต็มไปหมดเลยะยิ้มกับสายลมและแสงแดดได้เลยะบางคนเมียทิ้งก็ยิ้มไม่ใช่ยิ้มดีใจว่าจะได้เมียใหม่นะอยิ้มมีความสุขอ่ะเพราะมันมีสตินะคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเขารู้สึกไปเรืบางคนรู้สึกกายนะบางคนเขารู้สึกใจแต่ส่วนใหญ่ดูจิตดูใจเพราะเป็นคนในเมืองดูไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลง ความทุกข์ที่เคยมากๆก็เหลือน้อยน้อยความทุกข์นานนนก็เหลือสั้นๆฝึกสติไปเรื่อยๆบางคนหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะเคยมีไปหาหลวงพ่อพวกมะเร็งระยะสุดท้ายไปลาตายป่านนี้ยังไม่เห็นมันตายสักคนเลยแสดงว่าหมอพยากรผิดบางคนหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งก็ช็อกตายไปแล้วนีบางคนนะแบบไม่ไหวแล้วนะย่ำแย่มาแนะ เรางพ่อสอนบอกให้ดูใจของเราเองเลยใจมันกังวลนะรู้ว่ากังวลใจอยากให้โรคมันหายรู้ว่าอยากนห้สุดใจมันเบิกบานนะใจมันมีปีติมีความสุขขึ้นมาจิตใจที่มีปีติเนี่ยมันหล่อเลี้ยงร่างกายได้หล่อเลี้ยงร่างกายได้แข็งแรงขึ้นมาได้อีกนะบางคนอยู่มาได้เ่าไหลาปีหมอบอกว่าจะตายแล้วเดือนหน้าจะตายแล้วไม่เห็นตายทุกคน เราจเจริญสตินะหัดดูจิตดูใจไปบางคนชอบไปลถความลดไายบางคนไปลือนะว่าหลวงพ่อเนี่ยขลังที่สุดเลยมีรูปหลวงพ่อแปะหน้ารถน่รถพลิกมาห้าตลบไม่เป็นไรคนนนท์ก็พลิกคนนี้ก็พลิกแสดงว่าไม่ขลังจริงอ่ะรถยังพลิกอยู่ก <c oughs> ็ขับรถชุยเองนะนะขับขับรถเร็วนะรถพลิกรถคว่ำอะไรเงี้ยมีสติ <c oughs> พวกเราฝึกดูจิต ด, ดูใจเรื่อยๆนะพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาสติจะเกิดอัตโนมัติเลยมันจะรู้สึกตัวขึ้นมา จะไม่ตกใจสักนิดเลยรู้ตัวหมดเลยหัวกําลังจะโขกทางนี้ละอเอาหลบซะหน่อยก็พ้นละเนี่ไม่ค่อยมีใครเป็นไรนี่ขนาดเป็นเรื่องสติแล้วก็ฝึกสติไปเรื่อยๆนะยังเกิดประโยชน์ในทางโลกเยอะแยะเลยบางคนสมองฝ่อเลยเสื่อมไม่รู้เรื่องเลยเออนะลูกหลานพามาเรื่อยๆมานั่งฟังธรรมะไปนะหัดเจริญสติไปใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ฝึกไปเรื่อยๆก็หาย กลายเป็นคนที่รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้ฟังคนนะมาจากอเมริกาแล้วเป็นฝรั่งนะหมอบอกว่าเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์มันไม่มีทางหายปรากฏว่าแกมหาหัดฟังหลวพ่อพูดเรื่อยๆนะแกตื่นขึ้นมาจิตแกตื่นให้นมาก็าหายหมอก็เลยวิจัยใหม่บอกเป็นอัลไซเมอร์เทียมเอมีอย่างนี้ด้วยนะหมอก็รักหน้าเหมือนกันนะแทนที่จะบอกว่าถ่ายไว้ผิดนะพูดไม่ได้แล้วนะก็หลอกต่ออีก ความจริงไม่ใช่อะไรคนที่เพ่งตัวเองมากไปฝึกกรรมฐานแล้วเพ่งจิตจนนิ่งเลยจนกระทั่งไม่รู้เหนือรู้ใตนะ้เลยพวกนี้ทําภาวนาผิดพอเราจิตมันตื่นขึ้นมามีสติขึ้นมานั้นหายสิไอที่เพ่งไว้เครียดเครียดแข็งแข็งเพราะงั้นพวกเราอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งๆ น, นะคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆที่วัดจะมีเด็กๆ เ, เยอะเลย เด็กส่งกรรมาฐานหน้าฟังหน้าฟังกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางทีเสแส้งแกล้งส่งให้ดูดีเมเด็กๆบางทีมันซื่อๆนะก็พูดไปซื่อๆมีเด็กคนหนึ่งส่งกันบ้านบอกวันหนึ่งปวดตาบอกหนูปวดตาค่ะแล้วหนูก็เห็นว่าตามันก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดมันก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้มันก็อยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมเด็กเล็กๆนะหัดดูจิตดูใจนะเวลา เจ็บป่วยขึ้นมายังสามารถเห็นได้เลยร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดก็อยู่ส่วนหนึ่งะจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราหัดเจริญสติไปเรื่อยนะชีวิตเราจะได้มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ใกล้มรรคนิพพานขึ้นไปทุกวันทุกวันถ้าเราขาดสติเราก็หลงอยู่กับโลกไม่รู้จักจบจักสิน้นอยู่ไปจนแก่นะอยู่ไปจนตายตายแล้วมาเกิดอีกก็อยู่มาจนแก่จนตายไปอีกตายแล้วตายอีก หาคุณงามความดีอะไรให้ตัวเองจริงจังอะไรไม่ได้เลยดะงนั้นพยายามฝึกสติไว้ไม่มีอะไรดีเท่าการมีสติหรอกนะเวลาจิตไม่มีสตินะจิตมันจะไหลไปมันจะไหลไปมันจะห ล, ไะลงไปหลวงปู่ ด, ดูเรียกว่าจิตสออกนอกจิตส่งออกนอกเนี่ยจิตมันหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางใจคือหลงไปคิดนะอย่างโยมคนเนี้ยจิตกาลังส่งออกนอกมันถลําลงไปเพ่งไปเรื่อยๆนะจิตไม่ได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะ งั้นพยายามฝึกตัวเองให้จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาสังเกตไหมตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยจิตหนีไปทํางานอะไรบ้างดูออกไหมหนีไปคิดดูออกไหมจิตแอบไปคิดจิ ต, จตแอบไปคิดแล้วให้คอยรู้ทันนะรู้ไปเรื่อยลงปัจจุบันเป็นขณะขณะไปแล้ววันหนึ่งก็จะพบว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากหรอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากเลย ปัญญามันเกิดขึ้นมันเห็นความจริงในใกายในใจไม่มีตัวเรานะครยฝึกนะเห็นมีคนบอกว่าอยากตั้งคำถามบอกว่าคนสุรินจะมีโอกาสถามหลวงพ่อประโมทบ้างไหมเขาฟังในซีดีเขาส่งกันบ้านกันใครอยากส่งกันบ้านบ้างมีไหมมีหนึ่งคนสองคนสามคนเอาชักยกมือเนี่ยพวกเรียนแบบเราจะส่งไง สารามันเอาใหญ่เราก็ไม่ได้ยินเหมือนกันอ้าวเบอร์หกว่าไงออมีใหม่เหมือนกันนรรศการหลวงพ่อครับที่ผมปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้างครับมีอะไรที่ถูกหรือว่าต้องแก้ไขอย่างไรครับจิตมันก็เริ่มตื่นขึ้นมานะนะแต่ตอนนี้เพ่งไวครับตื่นเต้นเลยจะเพ่งเอาไว้กดไว้ด้วยครับนั่นแหละจะเพ่งไปกดไว้อันเดียวกันเอจะขอวิหารธรรมกับหลวงพ่อนะครับเขอบคุณมันนักคิดอาชีพอยู่แล้วนะครับดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไป ครับมีไหมในบดอ่ะมีครับออาว่าดไปนรัตการหลวงพ่อค่ะรู้จักใจลอยไหมรู้จักค่ะเออให้รู้ทันบ่อยๆนะค่ะเยกําลังใจลอยอยากพูดใช่ค่ะมองไม่เห็นรู้บ่อยๆค่ะเอาว่าดไปพยายามท่องไว้เพราะเวลาจะหลวงพ่อคํำถามมันมักจะหายไปอ่ะค่ะธรรมดานะเพราะว่าความจําก็ไม่เที่ยงเกิดได้ก็ดับได้ะ เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อไม่ต้องมาถามมากหรอกหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลยหลวงพ่อไม่ถามมากนะเราไม่ต้องถามเยอะหรอกฝึกสติไปเรื่อยๆมีสติรู้กายรู้ใจไม่จะถามอะไรสิ่ง<า>ที่ถามนะก็เป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งหมดนะ่ะอาว่าไปคือจะต้องมีการทําในรูปแบบบ้างไหมคะพักหลังการทําในรูปแบบนะ่ะจําเป็นมากนะเพราะนั้นเวลาที่เราหัดเจริญสติในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทําในรูปแบบ การทำในรูปแบบสาคัญมากทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมต้องทำถ้าไม่ทำเลยนานๆไปจิตใจจะอ่อนแอของคุณจิตใจมันตื่นขึ้นมาแล้วนะก็รู้สึกเอาเห็นไหมใจเราไม่เหมือนเดิมดูออกไหม <Okay. S 1> ออกคเห็นไหมความทุกข์สั้นลง <Okay. S 1> เห็นไหมกิเลสเกิดทั้งวันเลยอ่าใช่ค่ะเออนั่นแหละภาวนาปเป็น ถ้าคนภาวนาไม่เป็นนะจะไม่เห็นกิเลสตัวเองเห็นแต่กิเลสคนอื่นมีคราวหนึ่งหลวงปู่ดูลท่านไปเยี่ยมหลวงปู่เทศที่หินมักแป้งแล้วท่านคุยกันเสร็จนะหลวงปู่เทศท่านขอโอกาสบอกว่าให้โยมที่อยู่ในวัดเนี่ยมาฟังธรรมของหลวงปู่ดูลบ้างหลวงปู่ดุลท่านก็พูดเรื่องจิตยิ้มนะจิตยิ้มเยาะกิเลสพอท่านกลับมาแล้วก็มีโยมคนหนึ่งอยู่ที่หินมักแป้งอ่ะไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่เทสบอกหลวงปู่เจ้าค้าจิต ด, ดีชั้นยิ้มแล้ว มันยิ้มย่อกิเลสละใครมีกิเลสน่ะดิฉันยิ้มย่อหมดเลยอย่างนั้นไม่ได้นะมันต้องดูกิเลสตัวเองนะดูกิเลสคนอื่นไม่ได้ที่ฝึกฝึกอยู่ใช้ได้แล้วอย่าถามเลยเสียเวลาะเดี๋ยวขอโอกาสให้แม่ด้วยนะคะคือแม่เนี่ยจะฟังซีดีโดยบังคับอะกาศจับนั่งรถแล้วเราจะเปิดซีดีหลวงพ่อประโมทไปเรื่อยๆจนแม่ฟังมาในระยะหนึ่งดูเหมือนแม่จะเข้าใจมากขึ้นว่าดูจิตคืออะไรใช่ แต่บางทีแม่บอกว่าเขาจะเฉยๆค่ะคือความรู้สึกเฉยๆเลยไม่ทราบว่าเฉยเนี่ยเกิดจากอะไรน้ำมันมส ก, การหลวงพ่อค่ะรู้สึกไหมขนาเนี้ยเราเพ่งอยู่รู้สึกค่ะเลิกเพ่งซะแล้วมันจะไม่เฉยแค่นั้ น, น <ะ S 2> เองอ่ะก็ฟังซีดีของหลวงพ่อก็หลายครั้งค่ะแล้วก็เคยไปที่ศิลาชาครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็ดีใจที่หลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ฝึกดูจิต ให้เพ่งให้ตามดูไปเรื่อยๆไม่ได้ให้เพ่งนะไม่เคยสอนเลยนะว่าให้เพ่งอ่ะก็ให้ตามดูนะคะยังยังยังสงสัยอยู่ว่าการดูจิตเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอะค่ะลืมคำว่าดูจิตไปนะถ้าไม่เข้าใจคาว่าดูจิตเ่ให้คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงรู้จักโกรธไหมรู้จักค่ะรู้สึกไมมลูกเราเนี่ยน่ารักไม่เท่ากันในแต่ละวัน รู้สึกเห็นไหมบางวันน่ารักบางวันน่าตีเห็นไหมค่ะบางวันก็ทําให้เราเสียใจบางวันทําให้เราดีใจค่ะแม้ความรู้สึกเนี่ยมันเกิดอยู่ตลอดเวลาให้เรามีสติตามดูความเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละเรียกว่าดูจิตนะเ<ล>บื้อ ง, องต้นนะเบื้องต้นเราก็ดูความรู้สึกไปก่อนมันยังไม่ถึงจิตแท้ๆหรอกคะดูไปต่อไปมันก็จะเห็นในความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเกิดแล้วดับหมดไปนะฝึกไปนานๆจะเห็นว่าตัวจิตเองก็เกิดแล้วก็ดับ คนนี้เราถึงจะมาดูจิตได้หลวงพ่อฝึกอยู่ปีกว่านะแล้วก็มากราบหลวงปู่ครั้งที่หกมีโอกาสมากราบท่านหกครั้งที่สุรินทนะแต่ตอนท่านไม่สบายไปอยู่โรงพยาบาลจุลานะไปได้แทบทุกวันครั้งที่หกที่มาหาท่านเนี่ยสามสิบหกวันก่อนท่านจะมรณภาพท่านก็เทศให้ฟังนะตั้งแต่ตอนบ่ายๆจนถึงค่ำเลยมืดแล้วสักทุ่มหนึ่งท่านหอบหอบหอบหอบเนี่ยนะเราสงสาร อกหลวงปู่ผมจะกลับแล้วท่านบอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจําไว้ก่อนว่าพบจิตให้ทําลายจิตพบผู้รู้ให้ทํำลายผู้รู้จึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตอนนั้นท่านถามเข้าใจไหมบอกไม่เข้าใจครับแต่จะจําไว้การที่เราจะเข้าไปเห็นจิตได้จริงๆเนี่ยยากปฏิบัติตอนเบื้องต้นเนี่ยยังดูไม่ถึงจิตจริงอ่ะดูได้แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิต ดูอย่างนี้ไปก่อนต่อไปเราถือจะเห็นจิตคนที่จะภาวนาแล้วเห็นจิตแจ้งขึ้นมาได้จริงๆนะต้องระดับพระอนาคาจะเห็นจิตได้ชัดเจนเพราะตอนเป็นพระอนาคาเนี่ยจิตจะไม่แส่สายออกไปทางตาหูจมูกลิ้น ก, นะกายกรรมมายั่วไม่ได้จิตก็ไม่สายออกไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่งั้นโดดเด่นอยู่งั้นจะเห็นจิตชัดเลยตรงเนี้ท่านสื่งสอนบอกว่าให้รู้ลงไปอีกยังไม่พอ ยังรักษาตัวผู้รู้อยู่ถ้าวันใดเห็นในตัวผู้รู้เองก็เกิดดับนะ<ช>ตัวผู้รู้เองก็ไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะจิตถึงจะปล่อยตัวผู้รู้เห็นไหมจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะเป็นมรรคไม่ใช่มรรคธรรมดานะเป็นอรหัตมรรคนี่ท่านพูดแบบออม อ, อมนิดนึงไม่ให้จงแจ้งเกินไปฉะนั้นโยมยังไม่เห็นจิตออก<ช><ๆ>เห็นความรู้สึกไปก่อนค่ะถ้าสมมุติว่า เราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะมีโอกาสเห็นไหมครัเห็นสิถ้าปฏิบัติถูกนะมันต้องเห็นเข้าสักวันหนึ่งหรอกไม่ ช, ชาตินี้ก็ชาติต่อๆไป <c oughs> ใครเคยรู้จักหลวงพ่อกิมไหมหลวงพ่อกิมอยู่วัดป่าดงครูเมื่อก่อนหลวงพ่อไปหาท่านเหมือนกันแล้วก็ถามท่านจะมีความรู้แปลกๆเยอะท่านก็ลูกศิษย์หลวงพ่อท่านเจ้าคุณนี่แหละเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณเหมือนกัน <c oughs> เคยไปถามท่านบอกหลวงพ่อเรียกท่านหลวงพ่อหลวงพ่อคนที่หัดปฏิบัติเนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าจะได้ทะโสดาท่านบอกไม่นานหรอกทำจริงๆไม่เกินเจ็ดชาติก็ได้โสดาแล้ว <c oughs> อยู่ที่เราลงมือทำนะสมมติว่าเราจะไปขเขมรเรารู้แล้วขเขมรไปทางนี้เดินไปทุกวันนะต้องถึงเขาสักวันหนึ่งนะถ้าตายแล้วก็ ตื่นขึ้นมาใหม่นะเกิดใหม่ก็เดินต่ออีกวันหนึ่งก็ต้องถึงยันได้แหละทางจะไปมากคนนิพพานนะเป็นทางของคนกล้านะเป็นทางของคนเด็ดเดี่ยวไม่ใช่ทางของคนเหยาะแยะ่ประเภทภาวนาเหยาะแหยะแย่ดูบ้างไม่ดูบ้างไม่ได้กินหรอกภาวนาแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกเลยภาวนาเนี่ยต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะยิ่งภาวนาในขั้นละเอียดละเอียดขึ้นไปเนี่ยจะเข้าใจเลยนิพพานอยู่ฟากตาจริงมันเหมือนจะตายเอา ดิฉันจะตามตามดูไปเรื่อยๆโยมยังไม่ได้ตามดูโยมตามคิดไปเรื่อยๆตอนเนี้ยค่ ะ, คะตามคิค่ะนะคอยรู้ทันนะจิตแอบไป ค, คิดแล้วรู้จิตแอบไปคิดแล้วรู้รู้บ่อยๆแต่อย่าไปห้ามมันชอบไปเพ่งให้นิ่งคหมนยังค่ะเข้าใจว่าใครจะถามพยายามมานั่งหน้าหน้หนค่ะนวัต ก, การหลวงพ่อค <c oughs> ่ะอืมคือตอนนี้ไม่ทราบว่าโยมตอนนี้ ไ, ไปประคองจิตให้นิ่งอะไรอย่ไปประคองมันค่ะ แล้วที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยเริ่มถูกทางหรือยังคะใจมันก็เริ่มตื่นขึ้นมาบ้างแล้วนะรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาเพราะเม่อมันตื่นขึ้นมาแล้วก็คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆอย่าไปประคองให้นิ่งค่ะแล้วโยมก็นั่งสมาธิไม่เป็นด้วยค่ะก็ฝึกดูจากโทสะที่เกิดสมาธิจริงๆไม่เกี่ยวกับการนั่งอสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตถ้าจิตเราไหลไปทางตาเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมา จิตไหลไปทางหูไปฟังเสียงแล้วรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาตั้งเป็นขณะขณะนะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณแล้วเหรอยังไม่เข้าใจเลยการนมัสการหลวงพ่อครับขอการเรียงถานครับขอบคุณไม่มีปัญหาอะไรหรอกถูกตรงตามแนวทางวิปัสสนาแล้วครับอย่าประคองนะครับอย่า ก, กาหนดไม่กำหนดไม่ประคอง ปล่อยให้มันทํางานเราตามดูไปครัขอบพระคุณครับก่อนนมัสกัดของพ่อครับก็ผมติดตามฟังซีดีหลวงพ่อมาสองปีนะครับเหลือเนื้อเหลือเนื้ อ, อก็สองปีที่ผ่านมารู้สึกว่าความทุกข์เนี่ยกระเด็นไปจริงๆนะครับอาจารย์แล้วก็มีความสุขมากขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าระยะหลังเนี่ยจะรู้สึกนิ่งๆตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราหัดดูจิต ด, ดูใจนะ ดูจิตดูใจไปแล้วจิตมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอารมณ์มันประนีตขึ้นเรื่อยๆในที่สุดมันว่างๆพอจิตมันว่างๆแล้วเราก็ไปติดอยู่ในความว่างใช้ไม่ได้นะวหลวงพู ด, ดุลเคยสอนนะบอกว่าแยกรูปถอดรูปถอดคือ ร, รูปที่ปรุงแต่งสภาวะที่ปรุงแต่งรู้สึกไหมไหวเย็บยั บ, ยบไปเรื่อยแยกรูปถอดก็ถึงความว่างนะแยกความว่างออกไปถึงมหาสุญญตาความว่างที่เราติดตรงเนี้ไม่ใช่สุญญตา ว่างที่คุณติดตรงนี้เรียกว่าอากาศานัญจายตนะการเพ่งจิตให้ว่างๆถ้าติดอยู่ตรงนี้เป็นสมถะงั้นอย่าไปประคองจิตให้นิ่งให้ย้อนมาคอยรู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆะจิตถึงจะเดินปัญญาต่อไม่งั้นจิตไม่เดินปัญญาแล้วจิตไปพอใจในความนิ่งความว่างความสุขบางคนภาวนาเห็นสภาวะของจิตเกิดดับไปถึงช่วงหนึ่งนะจิตหนึ่งเคลื่อนจิตส่งออกนอกม่เคลื่อนไปไม่ไกลมันเคลื่อนไปอยู่แถวเนี้ย แถวห น, หน้าเราเนี่ยแล้วมันก็ว่างอยู่แล้วก็ติดอยู่ตรงนี้เลยะตัวนห้ติดวิปัสสนูเวลาเราจเจริญวิปัสสนานะเราเห็นความเกิดดับของจิตได้ช่วงหนึ่งแต่กําลังของจิตไม่ดีพอจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะเคลื่อนออกไปถ้าจิตเคลื่อนออกไปเนี่ยเราไปติดอยู่ในความสว่างความว่างข้างหน้าติดในโอภาษเป็นวิปัสสนูนึงวิธีที่จะพ้นจากตัวนี้ก็คือรู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหม รู้สึกไหมขณะเนี้ยจิตอยู่นอกๆรับรู้สึกครั บ, <อ>รบนะให้รู้ทันจิตที่ส่งออกนอกเนี้ยพอรู้ทันแล้วมันจะดับไปเองมันจะทวนเข้ามาหาตัวเองอย่างตอนเนี้ยคุณลองย้อนมาดูจิตสิรู้สึกไหมดูเข้ามาไม่ได้ไหมมีกําแพงที่มองไม่เห็นนกั้นไว้เนี่ยจิตเราไปติดอยู่ในความว่างภายนอกนะให้รู้ทันวิธีจะจั ด, จดการมันนะให้รู้ทันว่าจิตส่งออกนอกให้รู้ทันว่าจิตไม่ถึงฐาน จิตมันจะเข้าที่ของมันเองขอบพระคุณครับกาญจนามั ส, สกรารหลวงพ่อคะ่ะตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าชีวิตการทํางานปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่ต้องคิดตลอดเวลาแล้วก็ในเวลาที่ทํางานเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้ตัวไม่รู้สึกตัวเลยเวลาทํางานไม่ใช่เวลาจเจริญสติค่ะเพราะพวกเราทํางานที่คิดนะเราไม่ใช่เหมือนทําไร่ทํานาร่างกายเคลื่อนไหวเราจเจริญสติได้ตลอดเลย หรือเราไปขี่สามล้อย่างเงี้ยสี่สามล้อไปเรารู้สึกตัวไปทําได้แต่ถ้าเราทํางานที่คิดเนี่ยเรามัวแต่รู้เรื่องที่คิดในขณะนั้นรู้กายรู้ใจไม่ได้หรอกไม่มีใครทําได้แต่คุณไม่ได้คิดเรื่องงานอย่างเดียวรู้สึกไหมแอบไปคิดเรื่องอื่นด้วยนะถ้าเมไหร่จิตหลงไปคิดนะคิดเรื่องโด่นคิดเรื่องนี้อยู่ที่ทํางานก็คิดกลับไปบ้านคิดกลับไปว่าวันศุกร์นี้จะหนีไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยนะ เนี่ยจิตมันหนีไ ป, น, ไปนีมาเรามีสติตามดูไปหรือเวลาเราคิดเรื่องงานแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมารู้ว่าทุกข์เราคิดเรื่องนี้แล้วมีความสุขขึ้นมาให้รู้ว่าสุขห้ามมันไม่ให้คิดไม่ได้หรอกแต่เวลาคิดนะมันรู้กาย ร, รู้ใจไม่ได้มันต้องรู้เรื่องที่คิดแที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้แล้วอย่าไปประคองไว้อย่าติดเช่งอยู่อ่าไฟเบอร์สิบด้วยจากนักศึการหลวงพ่อค่ะ นี่ก็ติดเช่งเหมือนกันเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาศึกษาทายนี้ได้ประมาณเกือบสองเดือนเองค่ะฟังจากซีดีหลวงพ่อแลก็คือบางทีการปฏิบัติคือถ้าเราเราคิดตามคือจิตจิตจิตมีการคิดแล้วเราตามไปดูอืเราก็จะรู้ว่าเออเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่บางครั้งนั่งไปแล้วรู้สึกว่าจิตเราไม่คิดใจกายเราเป็นว่าเราไปคิดไปว่าทําไมวันนี้เราไม่คิดไรนั่นแหละคิดแล้วไม่คิดว่าทําไมมันไม่คิด นั่นแหละค่ะแล้วคือแล้วบางทีเรานั่งแล้วเราขาดชาแล้วเหมือนว่าเราไปเพ่งอยู่ที่ขาเราเนี้ยค่ะก็รู้ว่าจิตไปเพ่งจิตไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้นะจิตรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นออืมันมั น, มนไม่ถือว่าเราไปเพ่งอย่างเดียวหรอคะตอนนี้เพ่งรู้สึกไหม <c oughs> ถ้าเพ่งเมื่อไหร่ใจก็จะหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งขึ้นมาเ <c oughs> ครียดเครียดขึ้นมาแต่ถ้ารู้ไม่เป็นไรหรอกแล้วที่ ปฏิบัติมาเป็นยังไงคะก็ดีแล้วล่ะไปปฏิบัติอีกนะค่ะถ้าหลวงพ่อบอกไม่ดีเดี๋ยวเลิกปฏิบัติก็คือถ้าเกิแบบพอหนูมาปฏิบัติทางนี้แล้วรู้สึกว่าเมื่อก่อนชอบเที่ยวเตะอะค่ะแล้วคราวนี้เราเรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปตรงเนี้ยแล้วเพื่อนเราก็บอกว่าเราเวอร์แบบเราเคร่งเกินไปเนี้ยค่ะเพื่อนไม่รู้ความจริงเพื่อให้เขาหลงไปนั้นแหละมีเด็กที่นครสวรรค์นะไปหัดดูจิตดูใจไปเข้าคอร์สดูจิตที่นครสวรรค์เนี่ยอาจารย์ พอ เ, เปิดค่ายดูจิตนะให้เด็กมาหัดดูพอเด็กกลับบ้านเนี่ยเด็กคนนี้นะชอบเที่ยวเถียงพ่อเถียงแม่ร้ายมากเลยพอกลับไปบ้านเนี่ยันี้ส่เปลี่ยนไปเลยแม่ก็รู้สึกปลื้มนะโอ้ลูกไปหัดเข้าค่ายกรรมฐานแล้วดีขึ้นแล้วก็ล้ลูกฟังซีดีหลวงพ่อทั้งวันเลยนะในสุดท้ายแม่กลุ่มใจแม่เตือน เที่ยวซะบ้างสิลูกทําไมไม่ทําไมไม่เตียงแม่ล่ะลูกอย่าหมกมุ่นนะเดี๋ยวบ้าแม่แม่หนูก็เริ่มเครียดแล้วแม่ไม่เข้าใจวิธีการที่จะให้แม่เข้าใจนะเปิดซีดีหลวงพ่อดังๆให้เขาได้ยินค่ะซึ่วันนี้ก็พยายามเปิดบนรถท่านฟังแต่ถ้าเขาหงุดหงิดเมื่อไหร่เราก็หยุดไว้ก่อนแต่หลังเขาเผลอเอาใหม่นะแล้วพี่เคยฟังซีดีอ่ะค่ะพี่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากปฏิบัติก็ถือว่าผิดแล้วไม่ใช่ อยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากปฏิบัติถ้าอยากปฏิบัติแล้วรู้ว่าอยากปฏิบัติเนี่ยถูกแล้วนะไม่ใช่อยากปฏิบัติแล้วผิดนะทั้งนั้นอยากเป็นโจนรแล้วถูกเปค่าค่ะการน่ะไหมการหลวงพ่อค่ะก็ทุกวันจะทําสมาธิวันละสามสิบนาทีนะคะแล้วก็ดูไปเลยบางครั้งเวลาทําสมาธินะก็จะเห็นว่ากายอะ่ะบางคับไม่ได้ะคะ่ะพอเราเข้าไปยึดเมื่อไหร่นะก็จะเกิดทุกข์เออใช้ได้ค่ะ แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งจะเห็นถึงความมีแต่ไม่มีอะไรอะค่ะครั้งหนึ่งแล้วก็มันมีแต่ไม่มีอะไรเพราะมันไม่มีสมมติบัญญัค<ฆ>่นะยังไม่ใช่มรรคผลนะก็จะขอคำแนะนำเพิ่มเติมตอ น, ตนทำสมาธิก็ทำไปนะ<ฆ>ตอนไปพิจารณาอยู่ในกายก็ทำไปแต่ตอนออกจากสมาธิแล้วเนี่ยยืนเดินนั่งนอนต้องคอยรู้สึกตัวอย่างขนาดนี้จิตวิ่งมาที่หลวงพ่อรู้สึกไหมให้คอยรู้ทันเอา จิตนี้ไปคิดแล้วรู้สึกไหมก็ให้คอยรู้ทันเอาเวลาที่เรามาอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยนะให้คอยเจริญสติไหะดูความเคลื่อนไหวดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจอย่างนี้เพ่งเอาจงใจไปดูแลกายเป็นเพ่งใช้ไม่ได้นะต้องรู้สบายๆเอาเบอร์สิบแปดเดี๋ยวหลวงพ่อไปแล้วนะมาถามอุปชาหลวงพ่อนะถ้าไม่ได้ท่านนะหลวงพ่อก็ลาบาก กราบนามัการิยหลวงพ่อครับขอโอกาสถามผมฟังซีดีหลวงพ่อมาปีครบเจ็ดสิบแล้วแล้วฝึกเองอยู่ในชีวิตประจําวันแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าที่ทําอยู่นั้นได้หลงทางไหหรือเปล่าขอโอกาสหล่อย่า อ, อย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งครับนะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาแต่เนี้ยกดอยู่รู้สึกไหมครับผมแล้วรู้สึกไ ห, ห้จิตมันมัวมัวครับรู้รู้สึกนะจิตมันมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะ แต่ถ้าถ้าตามดูความเผลอไปเรื่อยๆที่ผมทําอยู่ที่บ้านมันเผลอไปแล้วเรารู้นะใช่ครับจิตเราไม่ไหลตามไปนะครจิตเป็นคนดูเห็นเผลอไปแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกแต่ความรู้สึกของผมเหมือนว่าผมผมจ้องอยู่หรือเปล่าถ้าพยายามดูไม่ให้คลาดสายตาเนั่ยแหละคือการเพ่งขอบคุณติดเพ่งอยู่ครับผมนะเลิกซะครับให้หลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงไม่ใช่ไปจ้องไม่ให้คลาดสายตาเขอบคุณจ้องมากไปครับผมครับขอบคุณท่านจ้องแล้วมันไม่พัฒนาหรอกมันอยู่แค่นั้น่ะ นะครับผมคุณใส่แว่นตาคนนี้พอใช้ได้แล้วการอุปสมภารครับอ่าวันนี้พาแม่มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดสามคนนะครับคือพยายามที่จะมีแม่ทั้งสามคนคือเนา ะ, ะคนอีสานจะมีแม่เยอะครับ อ, อ๋อคืออพยายามที่จะแนะนําคุณแม่ให้เปิดทีดีแต่ว่าก็เปิดไม่เป็นอืมก็ไม่ไดีอยู่ด้วยก็เลยไม่มีเด็กเลยเหรอที่บ้านพอดีน้องสาวคนเล็กก็เพิ่งจะออกไปทํางานนอกบ้านครับก็เลยอยากจะ ขอโอกาสของพ่อให้แนะนําสําหรับเราภาวนาไปนะพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆครับแต่เราไม่ได้พุทโธแล้วบังคับให้ใจนิ่งอย่างเดียวให้เราคอยพุทโธไปแล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตแอบไปคิดพุทโธพุทโธจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธจิตสงบรู้ว่าจิตสงบพุทโธแล้วคอยรู้จิตไปเรื่อยๆนะขอบพระคุณครับ นามัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูเพิ่งปฏิบัติมาไม่นานนะคะจิตเป็นยังไงบ้างคะจิตจะเป็นอะไรจิตก็เกิดเกิดดับดับไปได้คือบางทีหนูหนูห น, นรู้สึกว่าช่วงที่หนูออกจากคอร์สวิปัสสนาใหม่ๆอะค่ะหนูจะรู้สึกเบิกบานมากเลยแต่ว่าพอหลังๆเริ่มไม่ค่อยปฏิบัติในรูปแบบแล้วมันก็ริ่มรไม่ได้ภาวนาเอาความเบิกบานแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตนี้มันไม่เที่ยง เห็นไหมมันเบิกบานได้มันก็ยังเศร้าหมองได้ค่ะแล้วบางวันนี้มันก็เครียดเคียดหนักนะะหนักด้วยอะค่ะเครียดเคียดหนักหนักเพราะไปบังคับมันไปกดไปผ่มมันไว้เราเคยนั่งสมาธิอ่ะค่ะแล้วทีนี้มันก็เห็นอาการของสมาธิหลายอย่างมากเลยะค่ะแบบเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปต้องดูอย่างนั้นนะ่ะแล้วดูเพื่มาให้ถึงจิตค่ะแล้วมีครั้งหนึ่งที่มันเห็นตัวเองมันแยกออกจากกันมันก็เลยกลัวค่ะกลัวให้รู้ว่ากลัว แล้วเราก็เลยลืมตาเลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าปฏิบัติคือวมันทําไมล่ะมันเห็นกายมันแยกเป็นสองท่อนนะคะเอออันนั้นเกิดจากสมาธินะไม่ใช่วิปัสนาถ้าทําวิปัสนาจริงๆมันจะรู้สึกว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่แตกเป็นท่อนๆหรอกค่ะถ้าเห็นแตกเป็นท่อนๆนั้นเป็นอานาจของสมาธิไม่ใช่วิปัสนานะแสดงว่าสมาธิเราถึงสุด ที่มันที่มันเห็นได้นี่ยหละคะ่ะไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเห็นกิเลสตัวเองได้ถึงจะเก่งนะค่ะแล้ว<อ>ยังนี้หนูจะต้องปฏิบัติในรูปแบบด้วยไหมคะในรูปรแบบไม่เลิกนะทำไปแต่ว่าจิตกลัวขึ้นมาร่ว ก, กลัว จิตสงบหรือว่าสงบจิตฟุ้สซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านภาวนาไปแล้วก็รู้ทันจิตไปค่ะแล้วหลังๆคือพอฟังหลวงพ่อก็ไม่ค่อยปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะจะพยายามรู้ทันจิตใครเขาไปห้ามคือแบบอย่างเวลาจะสวดมนต์เนี้ยค่ะกลางคืนบางทีก็โอ๊ยขี้เกียจเราก็เห็นกิเลสมันแบบอย่าอย่าสวดเลยอะไรอยงี้ก็นั่นแหละถูกกิเลสล็อกค่ะเวลาจะสวดมนต์นะสามขี้เกียจเกิดขึ้นรู้ว่าขี้เกียจ เห็นเลยความขี้เกียจเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านมาแล้วมันไปมันไปแล้วเราสวดสิอ๋อหนูึ้นหนูก็ต้องใช้ความเพียรเอาชนะมันไปค่ะไม่ใช่ตามใจกิเลสนะเอาเอาธรรมะไปเป็นข้ออ้างของกิเลสไม่ได้นะเราสู้ตายนะธรรมะขี้เกียจไม่ได้นะตอนนี้เจ้าที่ปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบังคับหลวงพ่อจิตมันเจ้าไปข้างนอกอ๋อยังนี้เรียกว่าเจ้าเหรอคะรู้สึกไหมล่ะเห็นไหม เคยได้ยินเด็คนส่งการบ้านว่าจิตเจ้าแต่ไม่ทราบว่าเป็นอาการแบบนี้คะ่ะแล้วที่ปฏิบัติอยู่มีอะไรที่จะต้องแก้ไขไหมคะดูให้เป็นธรรมาชาติไปเรื่อยๆนะทีอตู่อยู่พอใช้ได้อพอใช้ได้ใช่ไหมคะทีนี้มีมคําถามข้อนึงค่ะคือการเดินจงกรมเนี่ยเราควรจะตั้งจิตไว้ยังไงคะไม่ตั้งจิตการเดินจงกรมนั่นก็คือการมีสติในขณะที่เดินค่ะเพราะฉะนั้นจุดสําคัญไม่ใช่อยู่ที่ว่าจะเอาจิตไปไว้ที่ไหน จุดสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ว่าจะบังคับจิตให้สงบให้ดีให้มีความสุขไม่ใช่<ะ>จุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่การคอยเพ่งร่างกายไม่ให้คลาดสายตาจุดสำคัญของการปฏิบัติอยู่ที่ความมีสติทุกก้าวที่เดินด้วยความมีสติเรียกว่าเดินจงกรมทั้งสิ้นเลยอย่างพระเดินบินทบาทนะก็เดินจงกรมนะเดินมีสติเช่นเดินเดินไปแล้วเห็นคนรอใส่บาตรอยู่ดีใจ ดีใจรู้ว่าดีใจนี่ท่านเจริญสติอยู่กะลังเดินจงกรมอยู่ะนะพอดีใจแล้วพระอื่นมาตัดหน้าไปโกรธรู้ว่าโกรธนี่ท่านเจริญสติอยู่หรือเราจะไปเดินชอปปิ้งนะเข้าไปในห้างเดินไปนะเห็นร่างกายมันเดินอยู่ใจเราเป็นคนดูอย่างนี้ก็ใช้ได้มีสติรู้กายะนะพอเห็นมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกมาสวยอยากได้รู้ว่าอยากเนี่ยเรียกว่าเจริญสติ ค่ะทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกลมทั้งหมดเลยถ้าเดินกลับไปกลับมาแต่ใจลอยก็เรียกว่าเดินเลื่อยเปื่อยค่ะเดินกลับไปกลับมาแล้วเพ่งอยู่เฉยๆนะเรียกว่าเดินทรมานตัวเองค่ะแต่ทีนี้เทรว่าการเดินตรงกลมคือเราเอาการเดินเป็นวิหารธรรมอย่างนี้เพราะวรู้สึก ร, รู้สึกก็คือตอนเท้ากระทบใช่ไหมคะไม่ใช่รู้สึกตอนเท้ากระทบเนี่ยจิตจะไหลไปอยู่ที่เทา้าจะกลายเป็นการเพ่งกลายเป็นสมถะจิตจะนิ่ง รู้สึกไหมดูเท้ากระทบพื้นเรื่อยๆจิตจะนิ่งๆนะจิตจะนิ่งเฉยๆเดื่องจงกรมเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเวลานั่งอยู่เนี่ยเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนะเวลายืนเห็นร่างกายมันยืนใจเป็นคนดูเวลานอนเห็นร่างกายมันนอนใจเป็นคนดูดูอย่างนี้เรื่อยๆไปถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจำรัชกาลหลวงพ่อค่ะ รู้สึกว่าเหมือนตัวเองทั้งเพ่งทั้งกดนะคะใช่ถูกต้องอแล้วทำไงดีทำไมมันเพง่เพงเพราะมันอยากดีเหมือนเพ่งเพราะมันอยากดีไปกดไว้ไปกลมไว้เพราะว่ามันอยากดีให้คอยรู้ทันมันรู้ทันความอยากในใจเราความอยากเกิดขึ้นให้คอยรู้ทันนะความอยากเป็นตัวสมุทัยทําให้เกิดความปรุงแต่งมีความปรุงแต่งขึ้นมาก็า ม, มีความทุกข์ขึ้นมา แล้วตอนนี้สภาวะเป็นยังไงบ้างคะหลวงพ่อมีโมหะด่ะวน้ปลามัวชั่วฟุ้งซ่านเนี่ยตะกูลโมหะจิตฟุ้งซ่านเป็นโมหะนะหมดยังพวกที่มาจากกรุงเทพนะให้ชาวสุรินนะหรือให้ชาวอีสานนะพวกที่ตามมาจากกรุงเทพไปอย่ามายกมือที่นี่หลวงพ่อคะเคย กรรมนักมรดกหลวงพ่อที่วัดหลวงตาหนึ่งมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วหลวงพ่อว่าติดนิ่งติดเท่งอยู่อะค่ะตอนนี้เท่งน้อยลงรู้สึกไหมค่ะใช่เท่งน้อยลงใจเราเริ่มเคลื่อนไหวค่ะเห็นไหมใจเราเดี๋ยวสูงเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนั่นแหละตามดูไปถึงวันหนึ่งปัญญามันก็เกิดนะจิตมันไปก่อไม่เที่ยงค่ะดูไปอย่างนั้นแหละดีขึ้นกว่าเดิมมากแล้วใช่ไหมคะอืจะให้เราชมคือตอนนั้นโดนหลวงพ่อแบบพูดว่า หลวงพ่อบอกว่าออกมาออาไม่อย่าเข้าไปอย่างนี้ค่ะแล้วหนูทันตรงที่หลวงพ่อพูดทีเด้ยวใช่ไหมใช่หละใจมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วค่ะพอใจตื่นขึ้นมานะมันไม่ยากแล้วเห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตเดินมาถึงตัวเนี้มองเห็นนะ้เห็นไหมความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราเห็นไหมกิเลสไม่ใช่เราตัวอย่างผ่านมาผ่านไประวังอันเดียวอย่าให้ใจไปติดว่างๆค่ะนะระวังไหมตัวนั้นเป็นกับดักของนักดูจิตเลยอย่าให้ติดว่าง ตอนนัสักการหลวงพ่อค่ะคืออยากจะถามว่าคือติดเพ่งหรือเปล่าเพ่งแล้วทําำนาที่มันจะหายเพ่งหรอคะต้องไม่ทําแต่ถ้าจะว่าคือบางครั้งคือเหมือนกับว่าจะเพ่งแต่คืออีกความรู้สึกอีกหรืคือมันมันไม่ได้เพ่งหรอคะอะไรนะคือบางครั้งคือมีความรู้สึกว่าตัวเองเพ่งแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าไม่เพ่งตรงนี้เราจะก็อถูกแล้วเนี่ยใครมันจะเพ่งได้ทั้งวันทั้งคืนเพ่งก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเราไม่เพ่งคือเหมือนกับว่ามันมันใจลอย ใ, ให้รู้ไปใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอยนะดีกว่ากลัวใจลอยแล้วเพ่งไว้ทั้งวันใจลอยแล้วก็รู้ใจลอยแล้วรู้ฝุกงี้แล้วก็คือบางครั้งคือนั่งสมาธิพอออกจากนั่งสมาธิพอผู้นี้สมามันเหมือนกับว่าเราจิตเราสิดที่สมาสิติดสมาธิออกมามันผิดตั้งแต่นั่งแล้วผิดตั้งแต่เริ่มนั่งวางไม้แล้วนั่งไปนั่งไปเลยไม่ต้องสนใจหลวงพ่อนั่งสมาธิไป คนอื่นอะ่ะไปดูเ้านั่งสมาธิไม่ดูตัวเองละลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมจิตสงสัยรู้ไหมสงสัยให้รู้ว่าสงสัยสินั่งรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยจิตไหลไปแล้วรู้สึกไหมสงสัยอีกแล้วรู้สึกไหมเออคนช่างสงสัยไปดูความสงสัยบ่อยๆนะอย่าไปนั่งมากไปฟุ้งฟานพยายามรู้สึกตัวมากๆเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนบ่อยๆ เราถ้าอย่างนี้เราดูกายจะดีกว่าไหมดีกว่ากันอะไรนะถ้าอย่างนั้นเราดูกายดีกว่ากันดูจิตไหมดูกายไปก่อนคนที่ติดสมาธิเนี่ยให้ไปคอยดูกายไว้ก่อนถ้าติดสมาธิแล้วไปดูจิตจะนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกเพราะจิตตานุปัสสนานะเหมาะ ก, กับเรียกว่าวิปัสสนาญาณนี่คือคนที่จเจริญสติตามรู้เข้าไปเลยอาเชิญพ่อครับแล้วผมต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างไหมครับ จิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะก็เท่านั้นเองนะรู้ลงปัจจุบันไปกาศมรรสกาหลวงพ่อค่ะจะถามสภมาวะจิตตอนนี้ค่ะที่ปฏิบัติมาตอนตอ น, นี้<อ>หรือวิจิตปฏิบัติามาที่ปฏิบัติมาใช้ได้แล้วใ ค, คอยดูบ่อยๆนะเราเป็นคนชี้โมโหโมโห ข, ขึ้นมาเราก็รู้โมโห ข, ขึ้นมาก็รู้ไปใช่ค่ะแล้วการนั่งสมาธิสมาธินะคะ ตอนคือแล้ตอนที่ปฏิบัติมาผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะเวลาทําสมาธิอย่าให้ขาดสติพวกเราชอบไปคิดว่าการนั่งสมาธิต้องทําให้เคลิมแล้วก็ไปเคลิม้มเคลิ้มขาดสติใช้ไม่ได้นะเวลาที่เราทําสมาธิต้องมีสติเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกอะไรเนี้ยมีสติอย่าให้เผลอเวลาจิตมันรวมจิตมันสงบนะมันรวมลงไปแบบรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่รวมแบบไม่มีสตินะถ้านั่งแล้วขาดสติอย่าไปนั่งเลย ออกมาเดินจงกรมเคลื่อนไหวไว้ดีกว่างั้นอย่าน้อมใจให้นิ่งแล้วที่ดูวันนี้คือดูดูทั้งกายคูับคือตัวทั้งตัวนั่นแหละนะใต่ดูสบายๆนะไม่ใช่ดูแบบจ้องไว้ไงี้นะจ้องไว้ทวั้งสวนก็ไม่ดีที่ผ่านมานี่เพ่งเกินไปเลยค่ะไม่เป็นไรเพ่งนิดหน่อย ค, คําว่างัดสการะครับหลวงพ่อคือสมัยที่ผ่านมานะผมจะไปฝึกเป็นสมถะสมากนะครับหลังๆก็มาฝึก ลองดูจิตตัวเองนะครับแล้วก็พอดีมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จําได้คือว่าจู่ๆเนี่ยเราเข้าบ้านโดยไม่ได้เปิดไฟแล้วจู่ๆเราก็ไปปรุงแต่งว่าจะมีผีโผล่ตรงหน้าตาเราก็ตามดูไปว่าความกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันเรลักออกมาเหมือนเป็นเหมือนเป็นกองทัพอะไรคันออกมาพอเรารู้ปุ๊บว่าเรากลัวปุ๊บเนี่ยมันจะบูบกลับไปไปหลบที่หน้าตาอันนี้ไม่ได้ดับไปเพราะผมเพ่งใช่ไหมครับเพ่ง ถ้าถ้าดับจริงๆนะมันดับไปเลยมันไม่ไปอยู่ที่หน้าต่างอล้คือจะมองเหมือนกับว่าเขายังอยู่แต่ว่าเขาหลบอยู่ตรงหน้าต่ายความรู้สึก อ, อ, อันนั้นไม่ใช่การรู้ที่แท้จริงครับความกลัวเนี่ยเป็นกิเลสระกูลโทสะถ้าสติที่แท้จริงเกิดนะโทสะต้องดับทันทีถ้าโทสะหดตัวลงไปไปซ่อนอยู่นิ่งๆอยู่เนี่ยแสดงว่าเราไปเพ่งใส่มันเข้าเราดูแบบรุนแรงเกินไป ก็มีบางครั้งที่ดูอารมณ์พวกอารมณ์โธ่สังหรือโกโรธหรือราคะต่างๆครับพอเราดูปุ๊บเนี่ยเหมือนพอรู้ทันปุ๊บมันหายไปใช่หไหมหลวงพอแล้วก็พอหายไปปุ๊บเนี่ยบางอารมณ์เราจะรู้รสึกว่าเราจะเฉยๆแล้วจะเฉยนานมากๆเป็นเป็นเกือบครึ่งวันอันั้นแหละติดเฉยแล้วพอเฉยนานปุ๊บเราก็กลายเป็นหงุดหงิด ต, ต่ออีกว่าทําไมมันเฉยนั่นบุญแล้วที่หงุดหงิดเห็นไหมมันไม่คงที่ละบางคนไปเฉยแล้วก็ว่างอยู่งั้นเป็นปีๆเลยนะ อย่างนั้นใช้ไม่ได้ก็ให้รู้ว่ามันเฉยเฉยรู้ว่าเฉยก็กลับมารู้ว่าหงุดหงิดเออต้องอย่างนั้นแล้วก็ด้วยความของหงุดหงิดปุ๊บก็เลยมาดูกายอืมพอดูกายปุ๊บดูด้วยการเดินบ้านนั่บ้านจงใจดูครับจงใจดูนะใจจะแน่นๆขึ้นมาอ๋อฮะตอนนี้จะรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายเป็นถุงหรือมันมันหายไปอืมแต่มันมีบางอย่างในหัวก็บอกว่า มันหายไปแต่ว่ามันยังเป็นของเราอยู่ครับจะแก้ยังไงครับไม่แก้นะตามดูไปเรื่อยๆจนปัญญามันเกิดมันทำลายความรู้สึกว่าเป็นเราไปเองขอบคุณครับกาบน้อสการ์หลวงพ่อครับคือช่วงหลังผมเหจิตมันคิดอยู่ตลอดเวลาบจิตใครก็คิดตลอดเวลาถ้าจิตมีหน้าที่คิดแต่บางครั้งมันรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยนะอยากให้มันไม่คิดมันก็เหนื่อยนี่ช่วงที่อยากไม่คิดมันจะมีโทสะใช่มันเป็นโทสะ ก็ให้รู้ทันว่าจิตมีโทสะพยายามแบ่งชีวิตของเรานะชีวิตของเราอยู่กับปัจจุบันเป็นขณะขณะไปขณะนี้จิตหลงไปคิดก็รู้ขณะนี้อยากให้มันไม่คิดก็รู้ขณะนี้มีโทสะขึ้นมาก็รู้เนะี่ยแบ่งชีวิตเป็นช่วงเล็กๆไปดูความเปลี่ยนแปลงของเข้าไปบ่อยๆครับแล้วผมที่ปฏิบัติมาตอนนี้เป็นไงบ้างเนยังเพ่งแรงไปดูไปให้สบายนะคขอบคุณครับ น, นู่นไปนู่อ่ะไม่หมดเหรอทั้งนี้ ในนักการหลวงพ่อค่ะคือคือพักหลังๆวันนี้คือหนูเห็นความโมโหหรือโกรธเยอะอยู่ <IM> e <YouTubers> แต่ว่าปัญหาของหนูคือว่ารู้สึกว่าพอพอมันบ่อยแล้วหนูพยายามที่จะอยากที่จะให้ให้มันดับประหาลเนาะก็ดูความอยากไปจิตมีความอยากเกิดขึ้นรู้ว่าอยากมันมันเป็นไง มันเล็ก ๆ, ๆน้อยบางทีรู้สึกว่าพอเรื่องเล็กๆน้อยๆหนก็แบบเก็บเก็บเข้ามาที่แบบโมโหหรือว่าโกรธแต่ถ้าได้พูดแล้วได้เหมือนได้ระบายเนี่ยมันจะดีขึ้นแต่ก็ต้องหลังมาก็จะรู้สึกผิดว่าพูดอะไรออกไปคือต้องถือศีลไว้ก่อนนะคือศีลเนี่ยจิตเรามีโทสะขึ้นมาไม่เป็นไรจิตมีราคะขึ้นมาไม่เป็นไรแต่อย่าให้เกิดการทําผิดทางกายวาจาขึ้นมามันระบาดความชั่วร้ายใส่คนอื่นไป ยิ่งเราตอบสนองกิเลสมากเท่าไหร่เนี่ยอนุสใสของเราจะยิ่งรุนแรงขึ้นอย่างพอเจอใครเราก็ว่าโมโหเราว่าว่านะพอแก่เนี่ยเราจะเป็นใจแก่ปากม้าว่าเก่งนะนั้นเวลาโกรธขึ้นมาเราไม่ห้ามให้เรารู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นไม่ห้ามมันนะแค่ดูถ้ามันทนไม่ไหวมันจะตบเขาแล้เดินหนีไปก่อนนะอย่าให้ผิดศีลศีลสําคัญนะ ถ้าเราผิดศีลเมื่อไหร่เนะี่ยกิเลสของเราจะรุนแรงมากขึ้นยิ่งสะสมมากขึ้นเรื่อยๆต้องทนเอานะขนะระคุณคระถามักท้ายอาจารย์ครับในธรรมที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกหรือผิดยังไงครับอาจารย์เห็นกิเลสไหมล่ะกิเลสเกิดรู้ไหมรู้บางไม่รู้บางครับเมือ่อไหร่ ร, รู้เมื่อนั้นถูกเมื่อไหรไม่รู้เมื่อนั้นไม่ถูก มันก็ถูกเป็นขณะขณะนะหลงไปเป็นขณะขณะรู้บ่อยๆอย่าประคองจิตให้นิ่งประคองมากไปครับเขจาใจอ่าหมดยังจะขอการบ้านนะคะ่ะแล้วก็จะส่งกานบ้านที่ปฏิบัติมานะคะ่ะส่งมาก่อนอ่าที่ผ่าน ม, มานี่จะมีช่วงที่ว่าโทรศัพแรงแล้วก็อ่า เวลาเวลาเวลามันโกรธนะให้คอยดูตัวเองอย่าไปดูคนที่ทําให้เราโกรธของคุณเวลาโกรธขึ้นมามันไปสนใจคนที่ทําให้โกรธอย่าไปดูเขาย้อนมาดูตัวเองะให้ฝึกตัวนี้บ่อยๆ่แล้วอขอกันบ้านนี่ไหนให้กันบ้านแล้วนะไปดูหน้าเวลาโกรธดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นแล้วไม่ทราบว่าหลงมากแล้วอเหมือนกับว่าต้องทำให้ใครเรากลุ้มใจ แน่ใจเรากังวลใจเราเป็นคนที้กังวลดว<ช>ูออกไหมขี้กังวลที่กลัวขี้หงุดหงิดให้คอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะหาย ไ, ไม่ทราบว่าหลังๆนี่ดีกว่าสมัยก่อนไหมคะก็ดีสิ <c oughs> ดีที่รู้บ้างค่ะ <c oughs> ไม่รู้เลยก็ไม่ดีเลย <c oughs> อ่ะไป <c oughs> ยังไม่ต้องไปทําสมาธินะฟุ้งซ่านเกินไปทําสมาธิไม่ไหวทําแล้วจะเครียด การในเทศกาลหลวงพ่อค่ะจะเรียนถามว่าที่ปฏิบัติมานี้พอจะใช้ได้ไหมคะอย่าบังคับมันยังบังคับอยู่รู้สบายสบายไปคือตอนนี้ยังไม่ออกกับคำที่หลวงพ่อบอกว่ารู้สบายสบายกับคําว่าขี้เกียจนะคะขี้เกียจ้วมันไม่ยอมรู้สิมันมัวแต่เพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกาใจเพลินไปกับโลกไม่ยอมรู้กายรู้ใจรู้สบายสบา ย, บายหมายถึงว่าร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้ไม่ไปห้ามมัน อย่างนี้จิตฟุ้งซานแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมลืมตัวเองขอบพระคุณค่ะมันลสักการหลวงพ่อค่ะฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณสองเดือนกว่าค่ะที่นี่ช่วงหลังนี่นั่งสมาธิเรามีความรู้สึกว่าพอนั่งนานๆไปสักหน่อยสักยังไม่ถึงชั่วโมงมีความรู้สึกว่ามันร้อนหมดเปิดพัดลมครับ ไม่่ทราาบวา เ, เราไม่ได้ภาวนาเอาเย็นนะ่ภาวนาแล้วมันเกิดร้อนที่มันรั่าร้อนร้อนแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบชร้อนแล้วสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าสงสัยอะไรเกิดขึ้นย้อนมาดูจิตตนเองไว้นะคอยดูจิตตัวเองไปเรื่อยๆ อ, อย่าให้เสียทีเป็นชาวสุรินนะดูจิตไั้สาธุนคะ อยาได้คำแนะนำค่ะอย่าไปกดไว้อย่าไปบังคับมันนะทำใจสบายๆถือศีลห้าไว้ก่อนนะถือศีลห้าให้ดีแล้วก็คอยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจบ่อยๆนะอยัง ก, ก, กดอยู่ไปทางโน้นบ้างสามนาฏศการหลวงพ่อเจ้าค่ะเห็นระหว่างวันมันทุ้งก็เจ้าค่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะอย่าไปบังคับมันตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไป ใชค่ะกามของคุณเจ้าค่ะไปทั้งน้นบ้างอาไม่หมดหร อ, อ, อว่าไงที่ปฏิบัติมาถูกต้องหรือเปล่าคะยังเพ่งอยู่น ะ, ะพยายามรู้สึกตัวลืมคำว่าปฏิบัติเสียของคุณเนะี่ยเวลาปฏิบัติเน้จิตเข้าไปครุกนะไม่ดีพยายามกลับมาเหมือนคนปกตินะมารู้ตัวสบายๆไปอย่าบังคับจิตให้นิ่งบังคับมากไปเนี่ยกดละรู้สึกไหม รู้สึกไม่เอาเลยนะตรงนี้ต้องเลิกเลยบังคับมากๆดีไม่ดีเพี้ยนเอานะะเอตรงนี้ใช้ไม่ได้นะต้องมีสิทธ์อะไรอีกไหมจิตเพ่งสิจิตเพ่งอย่างนี้จิตกดจิตให้นิ่งอย่างนี้หละอันตรายนะไม่ดีถามนักจิตวิทยาเอาไปข้างหลังให้เขาบ้างสวัสดีครับขอใช้สิทธิ์คนอีสานครับแล้วคือเดี๋ยวก็มีสิทธิ์คนภาคเหนืออยู่คือผมภาวนารู้สึก กายเบาใจเบามาพอสมควรแต่ว่าอย่างตอนเที่ยงจะขึ้นรถไปไม่ทันโทรไปถามว่าเวลาออกเท่าไหร่ในช่วงที่รอเนี่ยความร้อน อ, อกร้อนใจทําไมมันยังรุนแรงอยู่ก็เลยเวลาเราภาวนานะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ความร้อนใจหายไปเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตมันจะร้อนใจห้ามมันไม่ได้เห็นไหมจิตมันจะโลภก็ห้ามมันไม่ได้จิตจะโกรธห้ามมันไม่ได้ จิตมันทำงานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราคุณไปดูความเป็นอนัตตาของจิตไหมนะให้หลวงพ่อตรวจผมนะครับนง่างหลวงพ่อให้กันบ้านนะครับคุณเป็นพวกปัญญากล้าคุณไปดูความเป็นอนัตตาของจิตไห้ครับผมอนัตตาของจิตก็คือจิตมันทำงานของมันได้เองบังคับมันไม่ได้ครับอย่าไปบังคับมันผมผมก็ภาวนาตามแนวของหลวงพ่อมาพอสมควรแต่ว่าเวลามีใครมาถามผมก็ ให้คําแนะนําไม่ได้ส่วนใหญ่ดีแล้วดีแล้วนะแจกซีดีเขาเป็นหลักเอ้อย่างนั้นนะดีแล้วครับให้ให้ผมไปดูดูจิตดูกิเลสของเราไว้ครับผมนะดูจิตมันทํางานจิตมันทํางานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกครันะมันโกรธเองมันคิดได้เองมันโลภได้เองไหมครับมันกังวลได้เองดูอย่างนี้ด้วยๆกิเลสมันหนักรวมระยะหลังๆเห็นมันอย่างนี้ครับผมกิเลสหน้ามันหนักเพราะเราไปแบกมันไว้ ถ้ากิเลสมันแยกออกไปจัดจิตมันจะเห็นเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเนี่ยคนเดินผ่านหน้าบ้านเราไม่หนักนะเราวิ่งไปอุ้มมันตั้งเม่ไหร่ถึงจะหนักขอบคุณถามน้องสกาหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งแรกค่ ะ, ะปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็ยังหลงนานอยู่ค่ะแล้วก็ใน ในรูปแบบก็ยังติดเพ่นิดหน่อยค่ะแล้วก็เห็นกิเลสเยอะบางทีเห็นกิเลสมันซ้อนกันอยู่อะค่ะอย่างเช่นความโกรธที่เกิดขึ้นก็จะเห็นกิเลสอีกตัวหนึ่งเพราะว่าที่มันไม่หลุดจากความโกรธเพราะว่าเราอยากให้มันโกรธก็เลยหาวิธีทํายังไงก็ได้ให้มันหายโกรธมันก็เลยยังคงอยู่หาวิธีนะผิดแล้วเข้าไปแทรกแซงแล้วฮะให้รู้ทันจิตเกิดความโกรธก็ให้รู้จิตไม่ชอบความโกรธก็ให้รู้การดูจิตเนี่ยนะเบื้องต้นรู้สภาวะที่เกิดขึ้นกับจิต ถัดจากนั้นรู้ทันปฏิกริยาของจิตที่เกิดขึ้นว่ามีสภาวะอันนี้แล้วจิตเกิดปฏิกริยายินดีก็รู้ทันยินร้ายก็รู้ทันจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางจะรู้สภาวะทั้งหลายโดยไม่ยินดีไม่ยินร้ายโดยที่ไม่ได้ไปเพ่งให้นิ่งนะถ้าไม่ยินดียินร้ายพอไปเพ่งให้นิ่งใช้ไม่ได้แล้วบางทีเห็นตัวตนที่มันขุดขึ้นนั่นแหละถูกแล้วภาวนาดีถึงจะเห็นภานาไม่เป็นไม่เห็นหรอกขอบคุณค่ะ ัักาหลวงพอ่พอถามบ้างดีกว่าถามหลวงพ่อมาเยอะแล้วช่วงที่รอหม้อะรู้สึกไหมใจเราเป็นยังไงดูออกไหมมันกระสรับกระส่ายรู้สึกไหมเป็นกลัวไม่ได้รู้สึกไหมนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ยากอะไรการปฏิบัติธรรมคือการรู้ทันตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนะร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวเรารู้ทันเช่นใจเรากังวลกลัวไม่ได้รู้ว่ากลัวไม่ได้อะไรย่างเงี้ย การปฏิบัติยางง่ายๆทำตัวเป็นคนดูของคุณติดเพ่งนะติดเพ่งอยู่พยายามคลายการเพ่งออกแล้วจะเห็นความเกิดดับได้รวดเร็ ว, รวขอบพระคุณครับการมหกรรหลวงพ่อก็ค่ะหนูอยากเรียนถามว่าที่ปฏิบัติดีตอนนี้ถูกไหมเจ้าคะตอนนี้ไม่ได้ปฏิบัติตอนนี้กำลังรอฟังรอฟังแล้วไม่รู้ว่ากาลังรออยู่ใช่ไหม ไม่ได้รู้กายก ไ, ไม่ได้รู้ใจตนเองก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติส่วนที่ฝึกอยู่ที่บ้านเนี่ใช้ได้นะไปดูเอาแล้วอยากจะเรียนถามอีกประเด็น ว, ว่าหนูจะมีโอกาสได้บวชไหมคะหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ใช่หมอดูนะ <c oughs> <c oughs> จะยากอะไรอยากบวชเหรอไปหาภาคขาวมาเนี่ยอุปชาอยูน่นี่บวชไม่ยากหรอกแต่บวชแล้วอยู่นานๆยากเจ้าค่ะ หมดแล้วเนอขอพเพื่อนพักผ่านอ่าววันนี้สมควรแก่เวลานะหลวงพ่อนะาฝึกกรรมฐานมาเนี้ยขอคำถามสุดท้ายไม่ได้แลคะขอความเมตตาใช่ไหมอ่าวว่าไปกลับนมัสการเจ้าค่ะค่ะก็จะไม่ขอก็ไม่ได้ค่ะเพราะพ่อลูกชายสั่งว่าได้มีโอกาสมาได้นมัสการหลวงพ่อแล้วให้ขอกันบ้านกลับไปด้วยค่ะไปหัดดูไปเลยนะใจเราโมโหขึ้นมาก็รู้โมโหขึ้นมาก็รู้ไปดูเรื่อยๆ ที่ฝึกดู่ะใช้ได้แล้วใจเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไหมรู้สึกแล้วนั่นแหละใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาเอาสรุปนะสรุปการเรียนธรรมะเนี่ยคือการเรียนรู้ตัวเองะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจให้คอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจในขณะเดียวกันนะแค่รู้สึกอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจถ้าเพ่งแล้วมันนิ่งนิ่งแล้วมันไม่แสดงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ดู แค่รู้สึกกายแค่รู้สึกใจนะกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างงั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็น ง, งั้นฝึกอย่างนี้บ่อยๆทุกวันนี้คนที่มาเรียนเรื่องการดูจิต ด, ดูใจนะเขาภาวนาเป็นเยอะแยะไปเลยไปทั่วโลกเลยพวกเราเป็นต้นต่อเลยนะต้นกาเนิดหลวงพ่อมาเรียนก็มาเรียนที่นี่เองนะแล้วก็คนรุ่นหลังๆเนี่ยรู้จักหลวงปู่ดูลขึ้นมาได้เพราะท่านเจ้าคุณอุ ป, ปัชาหลวงพ่อเนี่ยท่านเขียนเรื่องหลวงปู่ฝากไว้ คนทั่วโลกก็เลยรู้จักหลวงปู่ดูลย์พอรู้จักหลวงปู่ดูลย์นะในนั้นมีคําว่าดูจิตดูจิตอยู่ด้วยก็เลยสนใจที่จะดูจิตก็ง่ายนะที่หลวงพ่อจะไปสอนดูจิตเพราะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านปูทางเอาไว้แล้วะท่านไปทําให้คนสนใจหลวงปู่ดูลขึ้นมาแล้วหลวงพ่อก็เลยมาง่ายถึงวันนี้นะมาบอกว่าเนี่ยหลวงปู่ท่านสอนอย่างนี้นะท่าสอนให้รู้ทันจิตใจของตัวเองไปให้เป็นแค่คนดูถ้าเราดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งปัญญามันจะเกิด มันจะเห็นเลยว่าจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีหรอกจิตนั้นมันเกิดมันดับมันดีมันร้ายมันสุขมันทุกข์มันหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาถ้าเห็นอย่างนี้ได้เรื่อยๆวันหนึ่งมันก็เห็นจริงๆอ่ะว่าจิตมันไม่ใช่ตัวเราวันใดที่เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจะไม่เห็นว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้เป็นตัวเราอีกผู้ที่ไม่เห็นว่ามีตัวเราในโลกนี้นะผู้นั้นจะได้เป็นพระโสดาบันนะเั้นพวกเรามีบุญมีวาสนานะเราเกิด โดยเฉพาะคนญ่านอีสานเนี่ยเป็นย่านที่ครูบาอาจารย์ที่ดีที่วิเศษเนี่ยมีเยอะแยะเลยโดยเฉพาะชาวสุรินเนี่ยนะเป็นต้น ต, อนต่อเลยนะที่จะหัดดูจิตดูใจคนทั่วโลกเขาดูจิตดูใจกันแล้วนะคนสุรินถ้าไม่ดูนิยายเขามากเลยนะฉะนั้นอย่ามัวแต่อยู่สุรินกินสุราอย่างเดียวนะดูจิตบ่อยๆนะเอาเท่านี้แหละขอบคนญย่ารับผ่อน ร, ร, ร, ร, ร, รับผ่อหน่อยนะขออนุญาตรับผ่กับรับผ่อนหน่อยรับผ่อนเหรอ พรต้องรับทําไมนอ่อทําดีก็ ไ, ได้พรนในตัวเองนะยถาว่าริวาฮปูราปริปูเรนตีสาคารังเอวเมวาอโตดินนังเกตานางอุปกาปติอิชิตตังปฏิตังตุมหังจิปเปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโนปนารโสยถามณีโชธิราโสยถาสัพพิตโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตุ มาเตภวัดวันตรายโยสุขีตีคายยโกพวะอภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจัตตารโรธรมาวัันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพระลัง